ของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นการเสริมสติปัญญาศรัทธาความเพียรให้มีกำลังเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะได้นำมาไปใช้ในการปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ของใจให้หมดสิ้นไป ธรรมะวันนี้ที่เราจะมาฟังกันก็คือเรื่องขันห้าขันห้าคืออะไรขันห้าก็คือส่วนประกอบของชีวิตของพวกเราทุกคนนี่เองพวกเราทุกคนนี้มีขันห้าเช่นเดียวกับสัตว์ในราชานก็มีขันห้าเหมือนกันนี่คือส่วนประกอบ ของชีวิตของพวกเราถ้าไม่มีขันห้าชีวิตของพวกเราก็เกิดมาไม่ได้เป็นอยู่ไม่ได้ที่มีอยู่มีชีวิตอยู่ได้นี้ก็อยู่เพราะมีขันห้านี้เองขันห้านี้มีอะไรบ้างขันห้านี้ก็มีอยู่ห้าส่วนคําว่าขันนี้แปลว่าส่วนประกอบส่วนประกอบของชีวิต มี5ส่วนด้วยกันคือ 1. รูป 2. เวทนา 3. ส, สัญญา 4. ส, สังขารและ 5. วิญญาณนี่คือขัน5้าบางทีเราก็เรียกว่ารูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสัสังขารขัน ว, วิญญาณขัน เป็นส่วนประกอบของชีวิตของพวกเราทุกคนรูปได้แก่อะไรรูปก็คือร่างกายของเราเนี่เองร่างกายที่เราสามารถจับต้องได้เห็นได้ด้วยตาของร่างกายที่มีอาการส2สองเป็นส่วนประกอบร่างกายของทุกคนนี้มีอาการสาสบสอง มีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีม้ามมีปอดมีหัวใจมีตับมีไตมีลำไส้ลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารกลาเยื่อในสมองศีรษะ และส่วนที่เป็นน้ำเช่นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำสะเลน้ำเหงื่อน้ำมันค้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่ข้อและน้ำมูดนี่คือองค์ประกอบของรูปประขันคือร่างกายซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ก็มีธาตุทั้งสี่เป็นส่วนเป็นส่วนสร้างขึ้นมา เป็นการผสมปรุงแต่งของธาตุสี่ได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่คือรูปประขันส่วนหนึ่งส่วนอีกสี่ส่วนนี้ที่เราเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสี่ส่วนนี้เป็นส่วนที่มาจากใจมาจาก ใจคือธาตุรู้ผู้รู้เวทนาก็คือความรู้สึกเช่นรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์อันนี้คือเวทนาสัญญาคือการจําได้หมายรู้จําถึงรูปเสียงกลิ่นรสว่าเป็นรูปของใครรูปนั้นดีไม่ดีนี่เรียกว่าสัญญา ความจำได้หมายรู้สังขารคือความคิดปรุงแต่งคิดจะไปนั่นคิดจะมานี่เช่นวันนี้เราก็คิดว่าจะมาวัดมาฟังเทศฟังธรรมกันอันนี้ก็คือสังขารเป็นผู้สั่งการให้ร่างกายเดินทางมาที่วัดนี้แล้ววิญญาณ ก็คือผู้ที่ไปเชื่อมท่ารู้ให้ทรู้หรือใจนี้ให้ไปเชื่อมติดต่อกับร่างกายคือรูปประขันวิญญาณนี้เชื่อมกับรูปประขันทางตาหูจมูกนิ้งกายวิญญาณเป็นผู้รับรูปเสียงกลิ่นรสผดถั พ, ทพะที่มาทางตาหูจมูกนิ้งกาย แล้วก็ส่งมาที่ใจพอมาถึงใจก็จะมีสัญญาเป็นผู้ทำหน้าที่วิเคราะห์ว่าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะชนิดไหนดีหรือไม่ดีหรือกลางๆพอสัญญาได้วิเคราะห์แล้วถ้าเป็นวิเคราะห์ว่าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะที่ดี ก็จะสุขก็จะเกิดสุขคเวทนาขึ้นมาความรู้สึกสุขขึ้นมาในใจถ้าวิเคราะห์ว่าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ไม่ดีก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาความรู้สึกทุกขขึ้นมาถ้าวิเคราะห์ว่าเป็นกลางๆงไม่ดีไม่ดีไม่ชื่วก็จะเกิดความรู้สึกเฉ ย, เฉย กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะชนิดนั้นแล้วหลังจากที่เกิดความรู้สึกแล้วก็จะเกิดสังขารความคิดปรุงแต่งขึ้นมาคิดว่าจะทำอย่างไรดีกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะที่ได้ไปสัมผสัสรับรู้ถ้าดีก็เกิดตัณหาความอยากได้ขึ้นมาปรุงแต่งสั่งให้ไปเอาสิ่งที่ ที่วาดีนี้มารูปเสียงกลิ่นรสผดพะทพ ท, พที่ดีมาถ้าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะทิศที่ไม่ดีก็สั่งให้ทิ้งไปหรือให้หนีไปอย่าเข้าใกล้สิ่งนั้นถ้าเป็นถ้าเป็นกลางกลางสังขารก็จะเฉยๆกับสิ่งนั้นไม่มีการสั่งการก็ได้ อยู่กับมันก็ได้ไม่อยู่กับมันก็ได้ น, นี้แหละคือขัน5ที่ทำงานตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาตาก็ไปสัมผัสกับรูปเสียงรูปหูก็สัมผัสกับเสีย ง, งกลิ่นรสต่างๆอาจจะไม่ครบทั้ง5อาจจะเห็นลืมตาเห็นรูปได้ยินเสียงแล้วก็ก็จะส่งไปที่ สัญญาให้วิเคราะห์ว่าตอนนี้เป็นตอนไหนตอนเช้า เ, เวลาเท่าไหร่อะไรต่างๆเหล่านี้แล้วสังแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นมาซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นความรู้สึกกลางๆไม่สุขไม่ทุกข์แล้วสังขารก็จะเพรปุงแต่งว่าอ๋อวันนี้ต้องไปทํางานไรีบลุกขึ้นมาเตรียมตัวแต่งนะาแต่งเนื้อแต่งตัวอาบน้ําอาบท่าอะไรต่างๆ ขันหานี้เป็นตัวที่ดำเนินการทำให้ชีวิตของเรามีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนกระทั่งถึงเวลาที่หลับไปขันหานี้เราสามารถแบ่งไว้แยกออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆรูปประขันนี้คือร่างกายนี้เราเรียกว่ารูปส่วนเมทนาสัญญาสังขารวิญญานี้ เราแยกเราเรียกว่านามที่เราเรียกว่านามเพราะว่ามันเป็นส่วนที่มองไม่เห็นด้วยตาหูจมูกนิ้กายตาไม่ไมีตามองไม่เห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหูก็เหมือนกันเราจึงเรียกมันว่าเป็นนามนามธรรมนอนา ม, มาขันขันห้าบางทีเราก็เรียกว่ารู ป, ป ร, รูปประฐานกับนา ม, มาขัน บางทีก็เรียกสั้นๆว่ารูปกับนามทีนี้รูปกับนามนี้หรือขันห้านี้ถ้าเราศึกษาดูความเป็นจริงดูธรรมชาติของมันเราจะเห็นว่ามัน ม, มันอยู่ภายใต้กฎของใจรักคือมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงไม่แน่นอนไม่ถาวรไม่คงเส้นคงวา เพื่อมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นรูปหรือร่างกายมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่มันเกิดมานี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจากเด็กก็เป็นผู้ใหญ่จากอยากเด็กก็โตขึ้นมาเป็นเด็กโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไปก็ไปเป็นคนแก่เป็นคนจลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยและคนตายไปในที่สุด อนิจจังเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่คงเส้นคงวาไม่เหมือนเดิมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนอนาัตตาคือเป็นสิ่งที่เป็นไม่มีใครไปควบคุมบังคับมันได้ไม่มีตัวตนไม่ไม่มีตัวตนในร่างกายนี้ร่างกายนี้เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเวลาลมพัดไม่มีใครทําให้มันพัดขึ้นมา มีมีเหตุมีปัจจัยทำให้ลมพัดฝนตกแดดออกร่างกายก็เหมือนกันร่างกายเกิดแก่เจ็บตายก็ไม่มีใครไปบังคับมันถ้ามันมีเหตุมีปัจจัยให้มันเกิดมันก็เกิดพอเกิดแล้วถ้ามีเหตุปัจจัยเสริมให้มันอยู่ต่อมันก็อยู่ต่อถ้ามีการเติมธาตุสีเข้าไปในร่างกายอยู่เรื่อย มันก็จะเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆร่างกายแล้วมันก็จะเจริญเติบโตไปถึงจุดสูงสุดพอมันถึงจุดสูงสุดแล้วมันไม่เจริญต่อไปแล้วคืออายุเมื่อถึงควยกลางคนนี่ก็ถือว่าจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเดินอายุมาครึ่งทางของชีวิตแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มนับถอยหลังลงไปมันก็จะเปลี่ยน จากการเจริญกลายเป็นการเสรื่อมเสื่อมไปทีละเล็กทีละน้อยจากคนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็จะเริ่มกลายเป็นคนแก่คนชราไปแล้วก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้คนมีอายุมากนี่จะมีโรคภัยมากกว่าคนที่มีอายุน้อยเพราะว่าคนที่ยังมีอายุน้อยอยังอยู่ใน อยู่ในส่วนที่จเจริญอยู่จเจริญเติบโตอยู่แต่ในส่วนของคนที่พ้นวัยกลางคนไปแล้วนี้มันจะเริ่มเสื่อมลงเทอเล็กเทาน้อยความเสื่อมมั น, นก็เลยทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆขึ้นมาแล้วก็จะเพิ่มความเสื่อมเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆพออายุยิ่งมากขึ้นมากขึ้นพอเข้าสู่วัยเจ็ดปบ โรคต่างๆมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเพราะความเสื่อมของอวัยวะต่างๆของร่างกายบอดหัวใจตับไตทำงานมานานมันก็ต้องมันก็มีการชำรุดสุดโซแล้ววันใดวันหนึ่งมันก็อาจจะหยุดการทำงานของมันพอหัวใจหยุดเต้นปับ๊บ หัวใจหยุดเต้นพับระบบทั้งระบบของของร่างกายก็หยุดทำงานตามทันทีหัวใจหยุดเต้นปอดก็หยุดทำงานตับไตอวัยวะต่างๆก็หยุดทำงานเมื่อหยุดทำงานแล้วส่วนประกอบที่มาทำให้มีอวัยวะต่างๆนี้ก็จะแยกทางออกจากกันก็คือธาตุสี ธาตุสีที่เป็นผู้ที่มามาผสมปรุงแต่งให้เป็นอาการสามสิบสองนี้ก็จะมีการแยกตัวออกจากกันเช่นเวลาคนหยุดหัวใจหยุดเต้นปั๊บธาตุลมก็หยุดเข้าแนละ้วมีแต่ธาตุลมจะระเหยออกไปจากร่างกายเทียรเล็กเทียน้อยตามด้วยธาตุไฟความร้อนของร่างกาย ร่างกายของคนตายนี้ก็จะมีอุณหภูมิที่ต่ําที่เย็นกว่าร่างกายของคนเป็นเพราะธาตุไฟเริ่มแยกออกจากร่างกายนี้ไปตามด้วยธาตุที่สมก็คือธาตุน้ำธาตุน้ําก็จะไหลออกจากทาวารต่างๆทางจมูกทางอะไรทาวารต่างๆแล้วถ้าปล่อยทิ้งไว้ไปเรื่อยๆต่อไปร่างกายก็จะเหลือแต่ส่วนที่เป็นดิน คือส่วนที่เป็นของแข็งส่วนทีน่มันก็จะแห้งแห้งแล้วก็กรอบแล้วก็ผุแล้วก็พังทิ้งไว้ไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นดินไปอันนี้คือธรรมชาติของขันห้าของรูปประขันมันเป็นอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่ เราคือใจที่ได้มาครอบครองร่างกายนี้เราไปหลงคิดขึ้นมาว่าเป็นตัวเราของเราเท่านั้ความเป็นจริงแล้วมันไม่เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้ที่ได้มาครอบครองร่างกายผ่านการเชื่อมต่อของกระแสวิญญาณที่ไปเชื่อมต่อติดกับตาหูจมูกนิ้นกายแล้วก็รับข้อมูล คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะเข้าโผฏฐะพะเข้ามาอามาเสพเอามาสัมผัสเพื่อให้เกิดเวทนาต่างๆแล้วเราก็ไปหลงไปยึดไปติดว่ามันเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราขึ้นมา <Okay. Yeah. S 1> เพราะว่าเราไม่ได้ไ ม, ไม่มีใครรู้ไม่มีใครสอนตั้งแต่เกิดมาไม่มีใครสอนพ่อแม่ก็ไม่เคยบอกว่าให้เราเป็นขันห่านะขันห้าไม่ใช่เรานะ อันหเป็นเพยงธรรมชาติที่ทรมาจากดินน้ำลมไฟธาตุสีและธาตุธาตรู้ธาตุที่หาทาธาตุสีกค็คือส่วนที่ประกอบเป็นร่างกายขึ้นมาเป็นรูปประคันขึ้นมาส่วนธาตรู้ก็เป็นส่วนที่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ อ, ออกมามาจากธาตรู้ซึ่งทั้งธาตุทั้งห้าทั้งนี้มันก็เป็นธรรมชาติไม่มีตัวตน ไม่มีตัวตนในดินไม่มีตัวตนในน้ําไม่มีตัวตนในลมไม่มีตัวตนในไฟไม่มีตัวตนในธาตุรู้ในผู้รู้ผู้คิดเป็นแทเป็นแค่ความรู้ความคิดนั่นเองอันนี้ไม่มีใครสอนเมื่อไม่มีใครสอนแล้วทุกคนก็หลงคิดเชื่อกันตามมาว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเวทนาความรู้สึกก็เป็นเรา สัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นเราเป็นตัวเราของเราเราก็เลยไปยึดติดกับขันห้า<ม>ไปยึดติดกับเวทนาเราก็มีความอยากได้สุขเวทนาเราก็จะแสวงหาแต่สุขเวทนา<ม>เวลาที่มีทุกขเวทนาเราก็พยายามที่จะกำจัดมันไปบางทีก็กำจัดได้บางทีก็กำจัดไม่ได้ พอกาจัดไม่ได้มันก็ต้องเจอกับความทุกข์ใจขึ้นมาอีกครั้งทุกขเวทนามันเป็นความทุกข์ที่มาจากทางร่างกายแล้วยังไม่พอเพราะความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปแต่มันไม่หายมันก็เลยทําให้เกิดทุกข์ขึ้นมาในใจอีกชั้นหนึ่งอันนี้ทุกข์ที่เกิดจากความอยากทุกข์ที่เกิดจากความอยากนี่ พระพุทธเจ้าสามารถที่จะแยกออกจากทุกข์ของร่างกายได้แล้วก็หยุดทุกข์ที่เกิดจากจากความอยากนี้ได้หลังจากที่ได้ทรงตัดสรูได้ทรงค้นพบว่าทุกข์ที่เกิดจากความอยากนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถกําจัดได้เราไม่ต้องทุกข์ทรมานไปกับความทุกข์ของเวทนา ความทุกข์ของเวทนานี้เราห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนัตตามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะมีเหตุมีปัจจัยทําให้มันเกิดขึ้นมาเช่นโครคภัยไข้เจ็บติดเชื้อโรคต่างๆเข้ามามันก็ทําให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเกิดอาการเจ็บปวดตามร่างกายเกิดอาการไข้ขึ้นมาต่างๆเหล่านี้ไม่มีใครไปห้ามมันไม่ให้มันเกิดแล้วไม่มีใครไปกําจัดมันได้ทันทีทันใด บางทีก็กำจัดได้ถ้ามียารักษาบางทีก็กำจัดไม่ได้แต่ทุกทางใจที่เกิดตามมานี้พระพุทธเจ้าสรงคนเพื่ว่าเราสามารถที่จะกำจัดมันได้ถ้าเราปล่อยให้ทุกทางกายเป็นไปตามธรรมชาติของมันปล่อยให้มันเกิดปล่อยให้มันดับไปเหมือนกับลมพัดลมพัดนี้เราไม่ได้ไปสั่งให้มันพัด แล้วเวลามันพัดเราก็ไปสั่งให้มันหยุดพัดไม่ได้ก็ปล่อยให้มันพัดไปพัดแล้วเดี๋ยวมันก็หยุดพัดของมันเองต้องมองให้เห็นว่าขันห้านี้รูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่มีเราอยู่ในขันหานี้คำ ว, ว่าเรานี้เป็นเพียงแต่ความปรุงแต่งของ ของธาตรู้คือของใจนี้เท่านั้นเองที่ไปปรุงแต่งว่ามีเรามีเราเราเป็นผู้คิดเราเป็นผู้รู้สึกเราเป็นผู้จําได้หมายรู้เราเป็นผู้เห็นรูปเสียงเป็นผู้รับรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะมันไม่มีเรามันมีมันเป็นแต่การทํางานของขันห้าเท่านั้นเองนะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครไปไปขัดขวางหรือไปแก้ ระบบการทํางานของขันห้าได้ขันห้ามันก็จะทํางานไปตามระบบของมันเช่นร่างกายเมื่อมันเกิดแล้วมันก็จ ะ, จะเจริญเติบโตขึ้นไปจนกระทั่งมันจเจริญเต็มที่แล้วมันก็เริ่มเสือเส่อมลงไปเสื่อมลงไปและในที่สุดมันก็ไปสู่ความตายเมทนาก็มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของมัน วันวันหนึ่งนี่เราสัมผัสกับเวทนาหลายรูปหลายแบบหลายรอบด้วยกันเวลาบางทีก็สัมผัสกับสุขเวทนาบางทีก็สัมผัสกับทุกขเวทนาเช่นหิวน้ำหิวข้าวขึ้นมาก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาพอได้กินกิ น, กนข้าวได้ดื่มน้ำทุกขเวทนาก็หายไปสุ ข, ขเวทนาก็เข้ามาแทนที่แล้วทิ้งไปสักพักสุ ข, ขเวทนาก็หายไป กลายเป็นไม่สุขไม่ทุกขเวทนาคือไม่หิวแต่ก็ไม่อิ่นแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็เกิดความหิวขึ้นมาอีกแล้วเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยเวทนามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามการเปลี่ยนแปลงของร่างกายแล้วนอกจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เป็นทําให้มีการเปลี่ยนแปลงของเวทนาความรู้สึกแล้วมันก็มีลูกเสียงกลิ่นรสที่เราสัมผัสกันใน ในแต่ละวันเนี่ยไม่รู้กี่กี่กี่รอบพอเราไปเห็นรูปเสียงกิดรดที่เราชอบก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาพอาไปเห็นรูปเสียงกิดรดผลิธธภัพฑ์ที่เราไม่ชอบก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมา mm hmm. ถ้าเรามีมีความรู้เข้าใจว่าอันนี้เป็นการทํางานของธรรมชาติเหมือนดินฟ้าอากาศแล้วเราสามารถห้ามใจเราอย่าไปยุ่งกับมันได้เราก็จะไม่ทุกข์ ปัญหาของพวกเราที่เราทุกข์กันกเพราะเราอยากเราชอบไปยุ่งกับขันห้าชอบไปจัดการไปแก้มันเช่นเหนแม่ร่างกายเนี่ยตอนนี้ก็พอสมัยนี้ก็มียุค ข, ของสัญลักษณกรรมต่างๆไปแก้สัดส่วนของร่างกายหน้าตา<ม>ไปเสริมนูน่นเสริมนี่อะไรต่างแล้วก็เกิดปัญหาตามมาแล้วก็เกิดความทุกข์ใจตามมาเพราะบางทีทำแล้วไม่ได้ดังใจอยาก ก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่คนที่ไม่ไปเสริมไม่ไปยุ่งกับร่างกายปล่อยให้มันเป็นไปมันจะเป็นยังไงก็ให้รู้ตามความเป็นจริงของมันใจก็จะไม่ทุกข์กับมันแต่ถ้าไปยุ่งกับมันแล้วไปจัดการกับมันแล้วมันไม่เป็นไปตามที่เราอยากได้มันก็จะทำให้เราทุกข์ใจขึ้นมาทุกอันนี้นะพระพุทธเจ้าเป็นคนตัดสั้รู้สงคนเพราะว่า เราไม่มีคำจำเป็นจะต้องมาทุกขกับขันห้าไม่ต้องมาทุกกับร่างกายไม่ต้องมาทุกขกับเวทนาที่มาผ่านทางตาหูจมูกนิ้นกาย mm. เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไป mm. ไปจัดการไม่ได้มันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเหมือนเวลาฝนตกนี่เราจัดการกับฝนไม่ได้ mm. เวลาน้ำท่วมอย่างนี้เราก็ห้ามมันไม่ได้ เวลาแผ่นดินถลม่มแผ่นดินไหวเวลาพายุมาเวลาเกิดไฟไหมอะไรต่างๆเหล่า น, นี้มันเป็นเรื่องปรากฏการณ์ของทางธรรมชาติท่นั้นถ้าเราเข้าใจหลักว่ามันเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่ใช่เป็นของเรามันเป็นเพียงแต่เรามามีส่วนร่วมกับมันมาสัมผัสมารับรู้มันเพราะเราเป็นส่วนที่มา เราเราเป็นธาตุรู้เป็นเป็นผู้ที่มารับรู้เรื่องราวต่างๆของร่างกายแ ล, และเรื่องราวของรูปเสียงกลาาิ่นรสผสะพะต่างๆที่เข้ามาทางตาหูจมูกนิ้วกายถ้าเราไม่อยากจะทุกกับการแปรปวนการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ก, ายก็ดีของของรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพะก็ดี ที่มาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทำเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดีเราก็ให้รู้เข้าใจเหมือนกับเราเข้าใจธรรมชาติเราเข้าใจว่าเอาถ้าฝนจะตกเราก็รับรู้ไปว่าฝนมันจะตกเวลามันตกเราก็รับรู้ไปว่ามันตกถ้าไม่อยากจะเปียกก็หาที่หลบที่ซ่อนไปถ้าหลบได้ก็ก็หลบถ้าหลบไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันเปียกไปันใดขันห้าก็เป็นอย่างนี้ เราต้องมาศึกษาให้เข้าใจว่าเขาเป็นเหมือนดินฟ้ากับคือเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของของใจของใจผู้รู้ผู้ที่มาครอบครองใจนี่เป็นเป็นผู้ที่มีปัญหากับขันห้าขันห้าเขาไม่มีปัญหาเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนี้เหมือนกับโลกนี้เขามีมีมืดมีแจ้งมีมีมีลมพัดมีแดดออก มีพายุมีมีหิมะมีฝนตกมีเหตุการณ์ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆมันเป็นเรื่องของโลกที่เรามาเพียงแต่มาเหมือนจะเป็นคนมาเที่ยวในในใ น, ในโลกนี้มาสัมผัสรับรู้เหตุการณ์ต่างๆของโลกนี้แต่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งการให้โลกนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ให้มีน้ําท่วมไม่ให้มีแผ่นดินถลม่ม ไม่ให้มีภูเขาไฟระเบิดอะไรต่างๆตอานี้เราสั่งการมันไม่ได้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติฉันใดขันห้านี้ก็เป็นเหมือนกันเรื่องนก็เป็นเป็นเหมือนกันเป็นเหมือนเป็นเหมือนฝนตกแดดออกน้ำท่วมพายุต่างๆมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราทุกกันเพราะเราอยากจะไปควบคุมบังคับมันจัดการมัน ให้รูปประคันก็อยากจะให้มันแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วย<ม>ให้มันอยู่ไป็นนานๆไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย<ม>เนี่ยพอเกิดความอยากขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นทุกขังขึ้นมากลายเป็นทุกขังอยากไปอยากกับของที่เป็นอนิจจังอนัตตาถ้าถ้าไปอยากแล้วมันจะทาให้เราทุกข์เพราะเราจะผิดหวังเราจะไม่ได้ตามใจอยากของเรา นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสัตวทรงค้นพบว่าการที่เรามีความทุกข์กันเราก็ทุกข์กับขันห้านี่และเหตุที่ทำให้เราทุกข์กับขันห้าก็เพราะเรามีโมหะอาวิชชาเราไม่เข้าใจธรรมชาติของขันห้าเราไม่เข้าใจว่าชีวิตเราส่วนประกอบของชีวิตเรานี้คือขันห้าและเป็นสิ่งที่เรา ไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับได้ตลอดเวลาเราอาจจะดูแลมันได้ในบางส่วนเช่ร่างกายนี้เราก็สามารถหาอาหารให้มันกินได้หาน้ํามาให้มันดื่มได้เวลามันหิวแล้วก็มีเอาลมหายใจเข้าออกอยู่เรื่อย เ, รอยเพราะมันต้องการลมหายใจเข้าออกแล้วก็รักษาธาตุไฟให้มันอยู่ในร่างกายไม่ให้มันหายไป ด้วยการมีเสื้อผ้ามาคอยห้อยสวมใส่เวลากาอากาศหนาวเย็นธาตุภายในร่างกายจะถูกความเย็นดูดออกไปเราก็ต้องใส่เสื้อผ้าอะไรกันหนาวไปเพราะร่างกายจะต้องมีอุณหภูมิที่สมควรเหมาะสมมันถึงจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมันถึงจะไม่ตายได้บางอย่างเราก็ยังทาได้อยู่พอเราคิดว่าเราทำได้เราก็เลยคิดว่าเราจะทาได้ทุกอย่างทุกเรื่อง แต่มันก็ทำได้บางเรื่องบางอย่างถึงเวลาบางเรื่องที่เราก็ทำไม่ได้ห้ามไม่ได้เวลาเกิดโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมาไปติดเชื้อโรคนี้เราก็ห้ามมันไม่ได้บางทีเราก็พยายามป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอะไรก็ตามแต่บางครั้งบางคราวเราก็พังเผอได้ไม่ได้สวมหน้ากากแล้วไปอยู่ใกล้กับคนที่มีเชื้อโรคเขาก็แพร่เชื้อโรคมาให้กับเราได้ พอเราติดเชื้อโรคก็มาเราก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาบางทีเราก็หายามารักษาได้บางทีก็หายามารักษาไม่ได้มันเป็นเรื่องของอนิจจังไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเรื่องของร่างกายเรื่องของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยมันเป็นของที่มันมีการเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อกันละกัน รูปเสียงกลิ่นรสผดถภาะก็ทําให้เกิดให้เกิดเวทนาสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาให้เกิดสัญญาความจําได้หมายรู้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสผดถภาะนี้เป็นรูปเสียงกลิ่นรสแบบไหนดีไม่ดีอย่างไรพอเกิดเกิดเกิดสัญญาขึ้นมาแล้วความจําได้หมายรู้แล้วก็เกิดเวทนาขึ้นมาตามมาถ้าสัญญาว่าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผดถภาะที่ดี ก็เกิดสุ ข, ขวเวทนาขึ้นมาถ้าไม่ดีก็เกิดทุกขวเวทนาขึ้นมาถ้ากลางๆ ก, ก, ก็ไม่สุขไม่ทุกขขึ้นมาพอเกิดสุขทุกขไม่สุขไม่ทุกขเวทนาขึ้นมาก็เกิดสังขารความคิดปรุงแต่งขึ้นมาคิดว่าจะทํำยังไงดีกับรูปเสียงกลิ่นรสผดถะเหล่านี้มันก็ทํางานของมันสลับกันไปสลับกันมาอยู่อย่างนี้แล้วก็สร้างความทุกข์ให้กับใจตรงที่ตัวสังขาร น, นี่พอเรา จะรูปเสียงกิลดลถโผฏฐพละเจอเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบเราไม่อยากได้เราก็อยากจะให้มันหายไปพออยากแล้วมันก็เกิดความวิตกเกิดความกังวลขึ้นมาแล้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาในลําดับแรกแล้วเอจะจะจ ะ, จะกําจัดมันได้หรือเปล่าหรือจะได้สิ่งที่เราอยากได้หรือเปล่าแล้วพอทําไปแล้วถ้าได้ก็ก็ดีใจไปความสุขก็กลับใจก็สงบเย็นสบายไป แต่ถ้าไม่ได้ดังใจอยากก็เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาแต่ถ้าเราสามารถฝึกสอนใจให้เราให้ยอมรับกับความจริงของการเปลี่ยนแปลงของขันห้าโดยเฉพาะของเวทนาให้ได้สุขเวทนาทุกขเวทนาไม่สุขไม่ทุกขเวทนาเนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆ เ, เดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกขเดี๋ยวมันก็ไม่สุขไม่ทุกขถ้าเราสามารถฝึกสอนใจิตให้เรา เฉยกับมันให้ได้อย่าไปยินดีเวลามีสุขก็ไทนานก็อย่าไปยินดีเพราะยินดีแล้วจะทำให้อยากให้มันสุขไปนานๆสุขไปเรื่อยๆ<ม>พอมันไม่สุขก็จะทำให้เสียใจเวลาความสุขหายไปควา ม, มความไม่สุขไม่ทุกเข้ามาแทนที่หรือความทุกเปลี่ยนเป็นความทุกข์ขึ้นมาแทนที่มันก็จะทำให้เราเศร้าโศกเสียใจ<ม>แต่ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติ เรื่องของเหมือนกับดินฟ้าอากาศมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเมตนาก็เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ไม่สุขไม่ทุกข์สลับกันไปสลับกันมาอยู่ทั้งวันทั้งคืนเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่มีสังขารความคิดปรุงแต่งมาในทางความอยากทางกามาตัาหาภาวะตันหาทางวิภวะตันหากามาตฐาหาก็คืออยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผพตภะ ที่เราชอบพออยากแล้วก็ต้องไปดินน้นหารูปเสียงกลิ่นรสที่เราชอบมาเสดถ้าถ้าได้เสดก็เกิดความสุขชั่วคราวแต่ถ้าไม่ได้เสดเกิดความผิดหวังก็เกิดความเศร้าเกิดความเสียใจตามมาถ้าเราเฉยๆเสียไม่มีความอยากจะเสดลูกเสียงกลิ่นรสเราก็จะไม่ต้องดินน้นไม่ต้อง ไม่ต้องไปเสี่ยงกับความทุกข์ใจไม่ต้องไปเสี่ยงกับความผิดหวังหรือว่าถ้าเราเจอรูปเสียงกลิ่นรสผลพัด ท, ที่เราไม่ชอบอก็อย่าไปอยากให้มันหายไปอย่าไปไกำจัดมันเพราะบางทีเราก็กำจัดมันไม่ได้ทำให้มันหายไปไม่ได้พอ อ, อยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็จะทุกข์ทรมานใจอยากได้ก็ทุกข์ทรมานใจเวลาไม่ได้ตามที่ใจอยาก อยากไม่ได้มันมาแล้วอยากจะให้มันหายไปพออยากให้มันหายไปมไม่หายไปก็ทําให้เราทุกข์ทรมานใจขึ้นมาอีกถ้าเราอยากจะไม่ต้องเจอกับความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากความอยากเราก็ต้องพยายามสอนใจอย่าไปยุ่งกับขันห้าอย่าไปยุ่งกับเวทนาทั้งสามสุขเวทนาทุกข์เวทนาไม่สุขไม่ทุกข์เวทนา มองให้เขาเห็นมองให้เห็นว่าเขาเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเหมือนฝนตกแดดออกในอากาศของเราเปลี่ยนไปเรื่อยเดียเเด๋ยวก็ร้อนเดียเเด๋ยวก็หนาวเดี๋ยวฝนก็ตกเดี๋ยวก็แรงแต่เราไม่ค่อยเดือดร้อนกับมันเท่าไหร่เพราะเรารู้ว่าเราทำอะไรกับมันไม่ได้เราก็เลยไม่ไปยุ่งกับมันไ ม, ไม่ไม่พยายามไปจัดการกับมันแต่ถ้าเราหลงเราคิดว่าเราควบคุมได้จัดการได้แล้วเราไปยุ่งกับมันเราจะต้องเจอกับความทุกข์ ทุกในการที่พยายามที่จะไปจัดการกับมันพอเริ่มต้นอยากพอเกิดความอยากขึ้นมาใจก็ไม่สงบนะใจที่อยู่เฉยๆสบายๆพอเกิดความอยากได้อะไรขึ้นมาในี้ใจเริ่มกังวลกวายแนละ้วจะอยากจะถูกรัตเตอรี่ยเงี้ยยังไม่ทันรัตเตรี่ยังไม่ทันออกเลยแต่ใจก็เริ่มกังวลกวายแนละ้วะงัว น, นี้จะถูกหรือไม่ถูก <of things? S 1> แต่ถ้าไม่ได้ไปอยากซื้ อ, อรัตเตอรี่ไม่ได้อยากจะถูกรัตเตรี่ไม่ไปซื้ อ, อรัตเตอรี่ ใจก็สบายไปไม่เดือดร้อนอะไรแล้วพอถึงเวลาลอตเตอรี่ออกไม่ถูกลอตเตอรี่ก็เสียใจทุกใจแล้วถ้าเกิดมันถูกก็ดีใจปั๊บเดียวดีใจแล้วเดี๋ยวก็เอาเงินที่ได้มาไปใช้จนหมดหมดแล้วก็อยากจะซื้อใหม่อยากจะซื้อลอตเตอรี่อยากจะถูกลอตเตอรี่ใหม่มันก็จะต้องเจอกับความทุกข์อยู่เรื่อยๆถ้าเรามีความอยากต่างๆในใจของเรา ถ้าเราอยากถ้าเราอยากจะอยู่อย่างสบายใจไม่เดือดร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกต่างๆมันทุกมีความรู้สึกทุกก็เฉยๆไปอยู่กับมันไปมีความรู้สึกสุขก็เฉยๆอยู่กับมันไปมีความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ก็อยู่กับมันไปถ้าเราสอนใจให้เฉยๆกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เราก็ไม่ต้องทาอะไรเราก็เฉยๆไป ปล่อยให้ร่างกายมันเปลี่ยนไปปล่อยให้เวทนามันเปลี่ยนไปปล่อยให้สัญญาสางคารวิญญาณมันเปลี่ยนไปเพราะมันเป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆมันมีมันเป็นสิ่งที่มีมีเหตุมีปัจจัยมาเสริมกันมาส่งเสริมกันให้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันทำงานเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนเป็นลูกโซ่อย่างเงี้ยมันทางานของมันเหมือนเป็นเหมือนกับเครื่องเนี่ยเครื่องโยนในรถยนต์เนี่ยมันก็ทางานของมันไป ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันมันก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเราไปยุ่งกับมันนีแล้วเราจัดการกับมันไม่ได้มันก็จะทำให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาในใจของเราได้ถ้าเราอยากจะอยู่อย่างสบายใจไม่ทุกข์ใจไม่วุ่นวายใจกับเหตุการณ์ต่างๆเราก็ต้องพยายามสอนใจฝึกใจเราให้ยอมรับกับความธรรมชาติของขันห้านี้ให้ได้อยอมรับกับธรรมชาติของร่างกายว่า มันเกิดแล้วมันก็ต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายไปไม่มีใครที่จะไปห้ามมันได้เปลี่ยนมันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นประธานาธิบดีเป็นอะไรก็ตามหรือเป็นคนธรรมดาคนขอทานก็ไม่มีใครมีอานาจที่จะไปควบคุมบังคับร่างกายให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ไม่ได้ให้ได้มันทำไม่ได้ถ้าอยากแล้วมันก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากแล้วมันก็จะไม่ทุกข์งนั้นสิ่งที่เราทางศาสนาพูดนี้ที่พระเจ้าได้ส่งคนพบ ก, ก็คือวิธีการดับความทุกข์ทางใจความทุกข์ที่เกิดจากความอยากทั้งสามเกิดจากความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพัฒนาหาความสุขจากสิ่งที่ยังไม่มี เช่นไม่มีเงินก็อยากจะมีเงินคิดว่ามีเงินแล้วก็จะมีความสุขหรือหาความสุขจากการกาจัดสิ่งที่เราไม่ชอบเช่นความแก่ความเจ็บความตายความไม่สวยไม่งามอันนี้ถ้าเรามีความอยากเหล่านี้้มันจะต้องสร้างความทุกข์ใจให้กับเราเพราะเราจะไม่สามารถทำตามความทำทตามความอยากของของเราได้เสมอไป เวลาทําได้ก็ช้าลาใจคิดว่าจะทําไปได้เรื่อยๆพ อ, อมาเจอเหตุการณ์เมื่อเจอเวลาที่เราทําอะไรไม่ได้ความอยากของเรานี้ตอบสนองความต้องการของเราไม่ได้เราก็จะเกิดความโกรธแค้นบ้างเกิดความเสียใจบ้างเกิดความเศร้าใจบ้างถ้าเราไม่ต้องการที่จะเจอกับความทุกข์ทางใจนี้ก็ทําตามที่พระเจ้าทรงสอน ว่าเรามาหยุดความอยากกันดีกว่าเพราะถ้าเราหยุดความอยากได้นี้มันจะแก้ปัญหาที่ค้างค้างมาเป็นเวลาอันยาวนานด้วยหยุดความอยากที่จะทําให้ใจเราไม่ทุกกับขันห้าแล้วมันทํามันทําให้เราหยุดความอยากที่เราจะกลับมามีขันห้าอีกต่อไปด้วยเห็น mm hmm. ถ้าเราหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้ เวลาร่างกายขันห้าชุดนี้ตายไปหมดหยุดทํางานปั๊บร่างกายตายไปขันห้าชุดนี้ก็หมดหมดหน้าที่ไป<ม>ถ้าเราหยุดความอยากได้ก็จะไม่มีความอยากที่จะดึงใจนี้ให้ไปหาร่างกายอันใหม่ไปรับร่างกายอันใหม่มก็จะยุติการเกิดแก่เจ็บตายได้<ม><ม>นี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตัดสัตว์รงคนพบว่า ความทุกข์ของพวกเราเนี้เกิดจากการที่เร า, เาไปติดกับขันหา้าไปยึดไปติดกับขันหา้าไปอาศัยขันหา้าเป็นวิธีการหาความสุขให้กับใจของเราซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ได้ครึ่งไม่ได้ครึ่งขันห้ามันมีทั้งสุขมันมีทั้งทุกข์บางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์แต่เวลาไม่ได้ความสุขมันก็ทำให้ใจทุกข์ขึ้นมา แล้วเวลาสูญเสียร่างกายไปสูญเสียขันห้าไปมันก็อยากจะไปหาขันห้าอันใหม่มันก็ไปเกิดใหม่เรื่อยๆเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดพวกเราเปลี่ยนขันห้ามาไม่รู้กี่ชุดแล้ะร่างกายอันนี้เราเปลี่ยนมาไม่รู้กี่ครั้งและการเกิดการมาเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้ไม่ใช่เป็นครั้งนี้ครั้งเดียว<ม>พระเจ้าบอกว่าเป็นแสนล้านครั้งเลย อันบอกว่าถ้าอยากจะรู้ว่ามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกี่ครั้งก็ให้เอาน้ําตาที่เราต้องหลั่งในแต่ละพบแต่ละครั้งที่เรามาเกิดนี่ไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่เคยร้องไห้กันต้องมีการหลั่งน้ําตากันทุกคนเวลามาเกิดเพราะเจ้าบอกให้เก็บน้ําตาเอาไว้นี่มารวมกันไว้ทุกครั้งที่เรามาเกิดบอกว่มันจะได้น้ําตามากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทร ยืดดูกันแล้วกัน้ําน้ำในมหาสมุทรนี้มันกว้างใหญ่ไพศาลมีปริมาณมากน้อยเพียงไรแต่น้ำตาของเรานี้มันที่เรามาหลังในแต่ละภพแต่ละชาตินี้ถ้าเราเอามารวมกันแล้วนี่มันมากยิ่งกว่าน้าในมหาสมุทรเนี่แหละคือปริมาณของความทุกข์ของใจของพวกเราที่เราได้มาที่ได้สัมผัสมาตลอดเวลาและจะสัมผัสต่อไปเรื่อย จนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนามาพบกับคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าปัญหาของพวกเรานี้อยู่ที่การมาเวียนว่ายตายเกิดและเหตุที่พาให้พวกเรามาเวียนว่ายตายเกิดกันนี้ก็เกิดจากความอยากต่างๆของเรานี่เองความอยากจะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัพฑ์ความอยากมีอยากเป็นเวลาไม่มีอะไรก็อยากจะมีอยากจะเป็น คนอยากจะเป็นนายกกันอยากจะเป็นสสกันอยากจะเป็นอะไรกันนี่ก็คือความอยากมีอยากเป็นคนที่อยากจะสวยอยากจะหนีความความความยากจนอยากจะหนีจากความแก่ความเจ็บความตายอันนี้ก็เป็นความอยากความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่แก่อยากไม่ยากจนอยากไม่ขี้เลยนี้เป็นต้น ก็พยายามหนีมันด้วยการไปทําสัญญกรรมต่างๆบ้างแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรอําพรา ง, างความไม่สวยไม่งามความขี้เหร่ของเราของร่างกายแต่ mm hmm. ถ้ามีความอยากอันนี้มันความอยากอันนี้มันจะไม่มีวันตายไปจากใจถ้าคอยตอบสนองมันคอยทําตามที่มันอยากแล้วมันก็จะเพิ่มพูนไปเรื่อยๆพระพุทเ mm hmm. จ้าบอกว่าน้ําในทะเลมหาสมุทรนี้ยังมีขอบมีฝั่ง อยากกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนมันก็มีปริมาณจำกัดมีขอบมีฝั่งแต่ความอยากนี้มันไม่มีขอบไม่มีฝั่งอยากได้เท่าไหร่ไม่เคยไม่เคยอิ่มไม่เคยพออยากเราจะเพิ่มปริมาณความอยากขึ้นไปเรื่อยๆดังที่คนโบราณมักจะพูดว่าพอได้ครึบ่บก็อยากจะได้ศอกได้ศอกก็อยากจะได้วาได้วาก็อยากจะได้ร้อยวาพันวาไปถ้าเงินทองก็เหมือนกัน ถ้ามีสิบก็อยากจะได้ร้อยได้ร้อยก็อยากจะได้พันได้พันก็อยากจะได้หมื่นได้หมื่นก็อยากจะได้แสนได้แสนก็อยากจะได้ล้านได้ล้านก็อยากจะได้สิบล้านร้อยล้านจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มีมีบางคนได้ถึงแสนล้านก็มีแต่ก็ยังไม่พอถามว่าพอไหมก็ยังไม่พอแล้วถามว่าไปใช้หมดไหมก็เอาไปใช้ไม่หมดแต่ความอยากมันไม่พอมันไม่หยุด แล้วมันจะเป็นตัวที่พาให้ต้องมาทุกข์เพราะเกิดเวลาที่จะต้องสูญเสียสิ่งที่เราได้หาได้มาสิ่งที่เราอยากได้มาใช่เวลาตายเนี่ยเราจะต้องเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหามาได้หมดเลยมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองกี่ร้อยล้านกี่พันล้านนี่เอาไปกับเอาไปกับใจไม่ได้เลยเอาไปกับดวงวิญญาณไม่ได้เลย<ม>นี่แหละคือสิ่งที่เป็นปัญหาของ<ม>พวกเราทุกคน ที่เราจะไม่มีวันที่จะแก้ได้ด้วยตัวของเราเองเพราะสติปัญญาความรู้ความฉลาดของพวกเราไม่ไม่ไม่มากพอที่จะเข้าไปถึงอริยสัจคือสัจธรรมความจริงของจิตใจของพวกเราว่าอะไรทำให้ใจของเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแล้วก็อะไรที่จะทำให้ความไม่สบายใจนี้หายไปเราก็ไม่รู้วิธีกาจัดมัน นานๆจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาเกิดในโลกนี้แล้วมาค้นพบกับจัตเจตตามความจริงอันนี้ค้นพบว่าความทุกข์ความไม่สบายใจของพวกเหล่านี้การที่เรามาเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็เกิดจากตัณหาความอยากของเหล่านี้เกิดจากกามตัณหาเกิดจากภาวะตัณหาวิภาวะตัณหากามตัณหาคือเคยความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลสะพ้ะ ความอยากเสษกรมาคุณทั้งห ah, ้าเรียกว่าการมติหาความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเป็นตัวที่ทําให้จิตเราอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องดิ้นพอเกิดการมตัิหาก็ต้องดิ้นเข้าหารูปเสียงกลิ่นรสละพอเกิดภาวะตัณหาอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่ก็ต้องวิ่งเข้าหามันพอเกิดวิภาวะตัณหาอยากจะไม่อยากจะให้ไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ต้องวิ่งหนีมัน พยายามวิ่งหนีพยายามจัดการให้มันหายไปมันก็จะทําให้ใจนี้ดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาแล้วเวลาเกิดความดิ้นรนก็เกิดความทุกข์เกิดความไม่สบายใจขึ้นมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบสาเหตุว่าของความทุกข์ใจความไม่สบายใจเกิดจากความอยากทั้งสามถ้าอยากจะให้ความทุกข์ดับไปหายไปก็ต้องหยุดความอยากทั้งสามนี้ให้ได้แล้วก็ทรงค้นพบเครื่องมือที่จะทําให้ใจ สามารถหยุดความอยากต่างๆเหล่านี้ได้ตอนนี้พวกเรายังไม่มีเครื่องมือเครื่องมือที่จะหยุดความอยากเรายังไม่มีเราเห็นอะไรที่เราชอบเรายังอยากจะได้อยู่ในห็นอะไรที่เราไม่ชอบเราก็อยากจะหนีมันอยากจะทิ้งมันอยากจะให้มันหายไปทั้งที่เราก็รู้ว่าเดี๋ยวนี้รู้ว่าความอยากทําให้เราทุกข์ทำอยากให้เราไม่สบายใจในเวลาเป็นโรคภัยค่าเจ็บก็อยากจะหาย เช่นโดยเฉพาะถ้าไปเจอโรคที่หมอบอกว่ารักษาไม่หายนี่เรายิ่งจะทุกทรมานใจอย่างยิ่งเพราะเราไม่อยากจะตายเราไม่อยากจะให้โครคภัยแข้เจ็บมันทําให้เราตายแต่เราก็ห้ามมันไม่ได้ห้ามห้ามโาครคภัยแข้เจ็บไม่ได้ห้ามความตายไม่ได้แต่เราสามารถที่จะห้ามความอยากได้ถ้าเราเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าว่าเครื่องมือที่เราจําเป็นจะต้องมี ในการที่จะกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจนี้เราต้องมี3ามอย่างด้วยกันคือหนึ่งมีศีลมีสมาธิมีปัญญาถ้าเรามีศีลเราก็จะหยุดความอยากส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องศีลได้อยากจะได้เงินได้ทองเราก็หยุดมันถ้าเราอยากจะได้เงินด้วยทองด้วยการไปลักขโมยไปช่อกงไปลักทรัพย์ของผู้อื่นหรือไปทำร้ายผู้อื่น ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นการกระทาที่จะทำให้ใจเราทุกข์เพราะเวลาเราทำบาปแล้วใจเราจะไม่สบายเพราะเราจะเกิดความกลัววิบากกรรมที่จะตามมานั่นเองกลัวจะถูกจับไปลงโทษเห็นถ้าเราอยากจะกำจัดความทุกข์ในระดับในระดับของการกระทาผิดคือการกระทาบาปก็ต้องหยุดการกระทำบาปให้ได้ก่อนถ้าเราหยุดการกระทาบาปได้แล้วเราก็จะมีกาลังที่จะไปหยุด หยุดการกระทาทางใจต่อไปหยุดตอนต้นเราหยุดการกระทำทางกายทางวาจาที่ทำให้ทให้ใจทุกข์ก่อนเมื่อหยุดมันได้แล้วทีนี้เราก็ไปหยุดการกระทำทางใจคือความอยากต่างๆถ้าเรารักษาศินห้าได้แล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องเพิ่มเป็นรักษาศินแปดเพราะการรักษาศินแปนี้จะทำให้เรามีเครื่องมือที่จะหยุดความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ สินห้านี้ไม่ห้ามสินห้านี้เรายัางไปเสพรูปเสียงกลิ่นลดได้ยังร่วมหลับนอนกับแฟนได้อยู่แต่พอเราถือศินแปดแล้วนี้เราจะต้องหยุดความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นลดทางตาหูจมูกนิ้นกายร่วมหลับนอนกับแฟนไม่ได้แล้วก็กินอาหารตามความอยากไม่ได้ให้กินอาหารตามความต้องการตามความจําเป็นของร่างกายกินครั้งละกินวันละครั้งสองครั้งก็พอแต่ไม่ให้เกินเที่ยงวัน หลังจากเที่ยงวันแล้วก็ให้หยุดกินหยุดทำตามความอยากกินอาหารต่างๆแล้วก yeah. ็หยุดหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจากการดูหมอศพบันเทิงต่างๆการหรือการเสริมสวยความงามทางร่างกายแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าผรอนเสริมความงามด้วยเครื่องสำอางหรือน้ามันน้าหอมอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นความสุขแบบชั่วคราวเป็นความสุขที่ จะทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาที่มันหมดไปให้หยุดวิธีการหาความสุขเหล่านี้เสียเพื่อให้หยุดกามาตั้หานั่นเองหยุดด้วยการรักษาศีลแต่การรักษาศีล น, นี้ก็ไม่ได้หยุดแบบปท้าวรช่วยบรรเทาช่วยตัดตอนกําลังของความอยากให้มันเบาบางลงไปเพื่อที่เราจะได้มีกําลังที่จะมาหยุดความอยากที่เกิดจากความคิดปรุงแต่ง คือความคิดของสังขารในขันหานี่เพราะว่าถ้าเราถือศีลแต่ได้เราก็จะมีเวลามีเวลามาปฏิบัติเจริญสมาธิเจริญสติเพราะการจะทำสตินี้การจะทำให้จิตสงบนิ่งเป็นสมาธินี้เราจะเป็นจะต้องมีสติและการเจริญสตินี้ต้องเจริญทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนกระทั่งถึงเวลาหลับ แล้วก็ต้องไม่ไปทํางานทําการไปยุ่งเกี่ยวกับภารกิจการงานต่างๆเพราะการฝึกสตินี้ต้องการฝึกเพื่อหยุดความคิดนั่นเองถ้าเราไปทํางานทําการเราก็หยุดความคิดไม่ได้เราต้องใช้ความคิดในการทํางานต่างๆดังนั้นผู้ที่จะต้องฝึกสมาธิฝึกสตินี้ต้องหาเวลาวัาว น, ว, นว่างวันว่างจากการทํางานเช่นวันหยุดทํางานเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างนี้ถ้ามี ความปรารถนาอยากจะมาฝึกสติอยากจะมานั่งสมาธิก็ลองไปหาวัดที่เขาให้ไปอยู่ให้ไปปฏิบัติโดยที่ไม่ต้องมีภารกิจทัพงานการอะไรต่างๆเขาเปิดอนุญาตให้เจริญสตินั่งสมาธิได้ทั้งวันทั้งคืนเลยก็ต้องไปหาที่อย่างนั้นก็เราจะได้มาหยุดสังขารความคิดปรุงแต่งเพราะสังขารความคิดปรุงแต่งนี่มันจะคิดไปในทางกามตัณหาในภาวะตัณหาและวิภวะตัณหานั่นเอง ถ้าเราฝึกสติควบคุมความคิดได้ไม่ช้าก็าเร็วเราก็จะสามารถทําให้สังขารหยุดคิดปรุงแต่งได้พอหยุดคิดปรุงแต่งความอยากต่างๆที่เกิดจากสังขารความคิดปรุงแต่งมันก็หยุดทํางานไปพอหยุดทํางานความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆมันก็จะสงบตัวลงใจเราก็จะนิ่งจะเย็นจะมีความสุขในขณะที่อยู่ในสมาธิแต่มันจะสงบนิ่งเย็นสบายได้ชั่วคราว เพราะกำลังของสติที่เราดึงให้ใจเข้าไปในสมาธินี่มันมีจํานวนจํากัดอาจจะอยู่ได้ไม่นานโดยเฉพาะสําหรับผู้ที่เริ่มปฏิบัติใหม่ๆนี้อาจจะอยู่ได้แค่แป๊บเดียวครั้งแรกเวลาจิตสงบนี้อาจจะเป็นแค่คัิกะสมาธิหรือเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนฟ้าแลบหรือเหมือนเหมือนงูแลบดินจิตนิ่งสงบแป๊บหนึ่งแล้วก็ถอนออกมาจากความสงบนั้น แต่มันจะทําให้เกิดมีความรู้สึกว่าแปลกประหลาดมหาสัจจรใจอย่างยิ่งว่าเวลาจิตสงบนี้มันรู้สึกเป็นความสุขอย่างยิ่งความสุขที่พระเจ้าทรงตรัสว่าเหนือกว่ความสุขทั้งปวงนัตถิสันติตปรังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีถ้าลองเราได้สัมผัสกั บ, บคั น, นิกะสมาธิแล้วแม้แต่เป็นเพียงแค่ชั่วรู้แลบลินชั่วฟ้าแลบเนี่ย มันจะทําให้เราเกิดมีความประทับใจเป็นอย่างมากในความสุขในรูปแบบนี้แล้วมันจะทําให้เราเกิดมีความฉันทะวิริยะมีความยินดีที่จะพยายามเจริญสติให้บ่อยขึ้นให้มากขึ้นนั่งสมาธิให้มากขึ้นไปเรื่อยๆชีวิตเราก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงลองเราจากการที่เคยหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผุดผักจากการไปเที่ยวไปเข้าสังคมไป ทำกิจกรรมอะไรต่างๆนี้แ้วเริ่มหันหันหลังให้กับกิจกรรมเหล่านี้แล้วอยากจะมาถือศีลแปดแล้วก็มาฝึกสติมาฝึกสมาธิให้มีกำลังมากขึ้นไปถ้าเรามีเวลา ไ, ได้ปฏิบัติมากขึ้นไปสติก็จะมีกำลังมากขึ้นไปเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบง่ายขึ้นแล้วก็นานขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปถ้าเราทุ่มเทบางคนก็ออกบวชเลยก็มี ถ้าเราได้สัมผัสกับความสงบแล้วนี่ไม่มีใครอยากจะอยู่แบบเดิมนะเพราะความสุขแบบเดิมนี่มันสู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้เนี่คือสาเหตุที่คนส่วนใหญ่ที่ได้ความสงบแล้วมักจะไปบวชกันไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายบวชกันแ ล, แล้วนี้ก็มีผู้ที่เคยมาฟังเทศฟังธรรมอีกท่านหนึ่งก็ไปบวชบป็ชีนะเพราะจิตเขาเขามาฝึกสติฝึกนั่งสมาธิอยู่บ่อยๆนานๆ จนกระทั่งเขาเกิดมีความรู้สึกมีความสุขจากการปฏิบัติเขาไม่อยากจะทำอะไรอย่างอื่นแะล้วเขาก็ญนที่สุดก็ไปบวชชีกันเพราะเวลาบวชแล้วมันจะได้มีเวลาเจริญสตินั่งสมาธิตลอดเวลาเพราะนักบวชไม่มีหน้าที่การงานอะไรนอกจากการเจริญสติรักษาศีลเจริญสติแล้วก็เจริญปัญญาในขั้นต่อไปทำไมเราจึงต้องเจริญปัญญาอยู่เพราะว่าความสงบที่เราได้จากสมาธิ การจัการหยุดความอยากในสมาของสมาธินี่เป็นความหยุดได้ชั่วคราวเวลาออกจากสมาธิมาสังขารความคิดปรุงแต่งก็จะคิดแล้วมันก็ถ้ายังมีตันหาความอยากอยู่มันก็ยังสามารถคิดไปในทางตันหาความอยากได้ทางกรรมะตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาได้อยู่ถ้าถึงขั้นนั้นแล้วพอเราถึงขั้นปัญญาแล้วทีนี้เราก็เอาปัญญามาสอนใจสอนให้บอกว่าสิ่งที่ตันหาความอยากต้องการนั้น ไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่จะให้ความสุขนี้มันล้วนเป็นความสุขชั่วคราวเท่านั้นเองเป็นความสุขที่ไม่ถาวรแม้แต่ความสุขที่ได้จากความสงบจากสมาธิก็เป็นความสุขที่ไม่ถาวรเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาถ้ายังมีความอยากในความสุขเหล่านี้อยู่มันก็จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยเรื่อยๆแล้วก็จะต้องคอยทุกข์อยู่เรื่อยๆ เพราะความอยากเหล่านี้มันไม่มีวันหมดถ้าเราทำตามความอยากแต่เราอยากใช้ความอยากเหล่านี้หมดไปจากใจเราก็ต้องหยุดก็ทำเวลาอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสเวลาออกจากสมาธิมาพออยากจะได้รูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องหยุดมันอย่าไปทำตามมันอยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็ไม่ไปอยากจะไปดูไปฟังอะไรก็ไม่ไปอยากจะไปดื่มไปรับประทานนอกเวลาก็ไม่ดื่มไม่รับประทานต้องกาจัดคอยฝืนความอยากหยุดความอยาก ถ้าเรามีสมาธิเราจะมีกําลังที่จะหยุดความอยากได้ถ้าถ้าเราไม่มีสมาธิเช่นตอนนี้พอเราพวกเราเกิดความอยากขึ้นมาเราหยุดมันไม่ได้สู้มันไม่ได้คนเคยคนเคยกินอะไรพอถึงเวลามันจะกินมันก็ห้ามมันไม่ได้เพราะไม่มีกําลังพอที่จะหยุดมันได้ต้องฝึกสมาธิก่อนพอได้สมาธิแล้วเราจะมีกําลังที่จะหยุดความอยากต่างๆได้แม้แต่ความอยากจะเข้าสมาธิก็หยุดมันได้ เอาความอยากเข้าสมาธิก็เป็นกิเลสเหมือนกันเป็นเหตุที่จะทําให้ใจทุกด้านเหมือกันในที่สุดเราก็ต้องหยุดความอยากทุกชนิดด้วยปัญญาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากมันเป็นใจรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะทําให้เราทุกข์ไม่ช้าก็เร็วถ้าเราไปยุ่งกับมันในที่สุดพอเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะมันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเราก็จะเลิกความอยากทั้งหลายที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปได้ พอเราทำลายความอยากที่มีอยู่ในใจหมดสิ้นไปแล้วใจของเราก็จะสงบตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเหตุที่ใจเราไม่สงบไม่มีความสุขก็เพราะความอยากนี่พอเรากำจัดความอยากได้ด้วยปัญญาแล้วทีนี้ความอยากความความรู้สึกขาดนู่นขาดนี่ความรู้สึกไม่อิ่มไม่พอความไม่สงบนี้มันจะหายไปหมดใจจะนิ่งสงบแล้วก็มีความรู้สึกอิ่มอยู่ตลอดเวลาสุขขั้งตลอดเวลา นิบานังพลังังสุขขังตลอดเวลาอันนี้คือผลจากการที่เราใช้ศีลสมาธิปัญญามากําจัดความอยากต่างๆที่มีในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปพอหมดแล้วทีนี้ใจของเราก็ไม่ต้องไปเกิดอีกแล้วเพราะความอยากจะไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสไม่มีแล้วเพราะไม่มีความอยากจะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องมีขันห้าไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมอีรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะมาเส ไม่มีความอยากได้อะไรไม่เคยมีความอยากมีอะไรก็ไม่มีการที่จะต้องกลับมาเกิดใหม่แล้วไม่ต้องมีขันห้าอีกแล้ว mm. แล้วแต่ขนันขันสี่ที่มีอยู่ในใจที่บริสุทธิ์ที่ไม่ไม่ไม่เอามาใช้ในการทําตามความอยากของสังขารของของกิเลสตนณายต่อไปแต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็เอามาใช้ในการช่วยเหลือผู้อืน่นเช่นเช่นขันห้าของมระพุทเจ้านี้ก็ไม่ได้เอาไปใช้ในทางของกิเลส หลังจากทรงตัดสินแล้วก็เอามาใช้ในทางธรรมสังขารก็คิดปรุงแต่งตามวิธีที่จะสอนคนให้หลุดพ้นจากความทุกข์วันวันหนึ่งก็สอนคนสามสี่รอบด้วยกันสอนธรรมะให้กับญาติโยมตอนบ่ายสอนธรรมะให้กับนักบวชภิกษุภิกษุณีใ น, นายามค่ำสอนธรรมะให้กับเทวดานายามดึกแล้วในตอนเช้าก่อนจะเสด็จออกบินทบาทก็ส่งเลงยาณว่า จะไปโปรดใครไปสอนธรรมะให้กับใครดีในวันนั้นจะเอาขันมาใช้ในทางธรรมจะไม่เอาขันห้ามาไ ป, ไปหาความสุขทางกรรมกา ม, มาตัณหาทางภาวะตัณหาทางวิภาวะตัณหาต่อไปแล้วพอร่างกายอันนี้สิ้นสุดลงใจก็ไม่มีความอยากที่จะไป ม, มีร่างกายใหม่ต่อไปก็จะไม่มีการกลับมาเกิดอีกต่อไปนะ พระพุทธเจ้าพาาระนันตสาวกทั้งหลายนี้ท่านไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดเหมือนพวกเราพกเรายัางมีความอยากอยู่ยังไม่ได้กําจัดความอยากอยู่เดี๋ยวร่างกายนี้ตายไปเราก็ยังอยากที่จะไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสใหม่อยู่เราก็ต้องไปได้ร่างกายใหม่อยู่ก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถหยุดความอยากทั้งสามได้จะหยุดได้ก็ต้องมีคําผู้สอนเราผู้บอกเราต้องมาเจอพระพุทธศาสนา เจอพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ที่จะสอนให้เราปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเมื่อเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราก็จะหยุดความอยากได้เราก็ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้เราก็จะได้ไม่ต้องมีขันห้าอีกต่อไปนี่ก็คือเรื่องของขันห้าที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเรวะหาปูราปาลิปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอจิตตังปฏิตังตุงหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติ อาราสยาธาสัพพิติโยวิวัชชะตุสัพพโลควินาศตุมาเตภวัตตวันตราโยสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาธนสีลิสะมิจังวุฒาปจายโนจตารโหธามาวทานเตอายุวันโอสุขัง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 ถ้าอยากจะถามเองก็ยกมือขึ้นจะส่งไม่ไปให้หรือจะมาถามที่ข้างหน้านี้ก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ วันนี้มีผู้รับฟังธรรมานากุฏจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ495ท่าน YouTube พระสุชาติ Live 323 YouTube พลตรี59คลับเฮาส์3วิทีออนไลน์11นากุต160รวมทั้งหมด 1,051 ท่านค่ ะ, ะถามได้เลยต้วน้ำกับพระอาจารย์เจ้าคะ่ะอืม หนูยังทําสมาธิได้ไม่ดีเช่นเดิมเจ้าค่ะเมื่อสักครู่พระอาจา ร, รย์เทศนาเรื่องเราแล้วหนูก็เราของหนูก็หายไปจากที่หนักก็หายไปแล้วก็เบาหนูไม่ทราบว่าเราของหนูจะกลับมาอีกหรือเปล่าหนูต้องแต่ก็คอยห้ามมันเสียเมื่อไรมันกลับมาก็บอกไม่ไม่ใช่เราเถียงมันสู้กับมัน เช่นว่าร่างกายเป็นเป็นเราไม่ใช่มันไม่ใช่เรามันเป็นนินน้ําลมไฟเป็นอาการสาวที่สองมันไม่เที่ยงเที่ยงมันไปอย่างเรื่อยๆต่อไปมันก็จะไม่กลับมาเจ้าค่ะตอนนี้มันมามันมันมันหายไปเพราะได้ยินได้ฟังธรรมะมันก็เลยรู้อ๋อไม่ใช่เราหลังจากนั้นเราก็ลืมอ่ะพอลืมธรรมะครับกิเลสก็ความหลมก็กลับเข้ามาขึ้นเหมือนเดิมอีกที่เป็นเราของเราอีกเราก็ต้องคอยเตือนใจอยู่เรื่อย เวลาร่างกายเป็นเราบอกไม่เป็นไรช่างหัวมันไม่ใช่เรามันจะเป็นจะตายก็ถ้าเราดูแลมันได้ก็ดูแลมันไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้มันก็ต้องตายไป็นอันที่สุดไม่มีใครไม่ตายที่นี้เจ้าค่ะไม่มีคําถามแล้วเจ้าค่ะเราพยายามฝึกสอนตัวเองมอ<ป>นัตตาอนัตตาท่องไปไม่มีอะไรไม่มีตัวเราของเราเป็นธรรมชาติทั้งหมดเป็นดินน้ําลมไฟเป็นธาตุสี่ธาตุรู้ธาตุห้า 4, เมีผ ส, สมกันไปประสมกันมาแล้วก็มีปฏิกิริยาต่อกันและกันไปเกิดดับเกิดดับไปน้ำกลับพระอาจารย์เจ้าค่ะครับฝึสมาธิเยอะๆนะเพื่ถ้ามีสมาธิแล้วใจก็จะคิดได้ง่ายถ้าไม่มีสมาธิแล้วใจก็จะถูกกิเลสหลอกเห็นไหมหลอกให้ไปคิดว่านี่เป็นของเราอันั่นเป็นของเราจะ ต, ต้องอยู่กับเราเป็นนา น, านๆพอไม่อยู่ก็เสียใจพอจากเราไปก็ล้องโผงร้องไห้ แต่ถ้ารู้ว่ามันต้องจากเรามันต้องไปเราก็ถึงเวลาเราก็ยิ้มให้มันบ า, บายบายแล้วจบไม่ต้องทุกข์กับมันทุก์ไปก็ไม่เกิดไปอยู่อะไรทุกมันมันก็ไม่มันก็ไม่กลับมาอยู่ดีมันก็ไปอยู่ดีงั้นไปแบบไปแบบแฮปปี้ดีกว่าบายบายเราสามารถมีความสุขกับการทัดทาจากกันได้ถ้าเรายอมรับความจริง ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงไม่อยากให้มีนการพัดภาคจากกันก็เสียใจเศร้าใจจวค่ะคำถามจะพู้รับฟังนะกูดค่ะ <c oughs> ถ้าเราอยากทำบุญใส่บาตรกรณีที่เราไม่สามารถไปทำบุญด้วยตัวเองได้แต่เราให้คนอื่นไปซื้อของมาทำบุญใส่บาตรแทนเราเราจะได้บุญไหมคะ ได้บุญที่เกิดจากการใส่บาตรนี่เราได้แต่ส่วนที่ไม่ได้ก็คือบุญที่เกิดจากความเพียรเราไม่ได้ไปทําด้วยตัวของเราเองเราฝากคนอื่นเขาทาให้กับเราแต่อันนั้นเป็นบุญส่วนน้อยบุญส่วนใหญ่อยู่ที่การบริจากเงินทองเข้าของเราไปให้กับผู้เดี๋ยวนี้ก็ที่ที่ตลาดบ้านอำเภอก็มีแม่ค้าเขารับจองออนไลน์สั่งออนไลน์ตอนเช้าก็ก็จะเาก็จะใส่จัด อาหารเป็นชุดๆแล้วก็ใส่บาทให้แล้วก็ถ่ายรูปส่งกลับไปให้ดูว่าได้ไดไดทำนั้นน ะ, ะมีแม่ค่าอยู่เจ้าหนึ่งถามว่าดูว่าวันนี้มีมีกี่คนสาว ม, มันมปนต้องแปดสิบคนสามให้ใส่ประจำทุกวันก็มีใส่ทั้งปีก็มีบางคนจองไว้ทั้งปีเลยคำถามจากทางเฟซบุกค่ะ มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นภรรยาน้อยของเขามีลูกเป็นผู้ชายเป็นคนก้าวร้าวเถียงแม่ <c oughs> แลักขโมยเงินแม่อยู่บ่อยๆไม่ยอมไปเรียนให้จบจะให้แก้ไขอย่างไรครับหรือว่าเป็นกรรมที่แม่เขาไปแย่งสามีคนอื่นมาเขาไม่เกี่ยวกับไปแย่งกรรมสามีบรรยาของผู้อื่นนะมันเรื่องของของสันดานของเด็กมันเป็นกรรมของเด็กนิสัยของเด็กมันเป็นอย่างนั้นมันชาติก่อนมันเคยทำอย่างนี้มา เอามมาเกิดมันก็ทำอย่างนี้ต่อไปหน้าที่ของพ่อแม่ก็พยายามฝึกฝนอบรมบรมนิสัยให้ดีให้กับเขาตอนที่ยังสอนได้แต่พอถึงเวลาที่เขาโตแล้วก็สอนเขาไม่ได้ถึงแม้ตอนที่เขาสอนได้เขาอาจจะทําตามเราตอนที่เราสอนแต่พอเขาโตเป็นตัวของเขาเองแล้วเขาก็อาจจะไปทําตามสันดานเดิมของเขาก็ได้เพราะฉะนั้นก็อย่าไปวิตกกังวลกับคนอื่นนะยนะเราสอนเขา แล้วเขาทำตามได้ก็ดีไปก็เป็นประโยชน์กับเขาถ้าเขาไม่ทำตามก็มันก็เป็นโทษกับเขาไม่ได้ไม่มีปัญหาอะไรกับเราไม่ได้เกี่ยวการที่เราไปมีชู้ไปมีสามีไปมีลูกกับคนอื่นนีอันนี้เรื่องนี้ไม่เกี่ยวเรื่องของการไปมีชู้มันก็ตอไปเราว่าอาจจะมีผัวเรามียเราอาจจะไปมีชู้กับคนอื่นก็ได้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลกไม่มีอะไรแน่นอน ถ้าไม่อยากจะทุกข์เหล่านี้ก็อย่าไปมีสามีอย่าไปมีภรรยาก็ะจะไม่มีไม่มีไม่มีใครมามาทำเรื่องเหล่านี้ได้ทำกรร ม, มัใดไว้ก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปแต่กรรมที่ได้ลูกได้ลูกไม่ดีมานี้ไม่ได้เกิดจากการที่เราไปทำบาปในการมีชู้หรืองอะไรไม่เกี่ยวกัน แต่ผลจากการทำการมีชู้นี่ก็คือทําให้เราเป็นคนที่ไม่มีศีลธรรมการไม่มีศีลธรรมก็เป็นเหมือนกับเป็นการเรื่อมเรื่อมฐานะของตนจากการเป็นมนุษย์ลงไปสู่การเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่สัตว์เดรัจฉานเขาไม่มีศีลธรรมเขาก็อยู่แบบไม่มีไม่มีสามีภรรยาเขาอยากจะนอนกับใครหลับกับใครเขาก็นอนกันหลับกันไปอันนี้ก็เป็นนิสัยของสัตว์เดรัจฉานเท่านั้นเอง การประพฤติผิดประเพณีดังนั้นเวลาตายไปโอกาสที่จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็มีมากกว่าโอกาสที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อเยาว่าทํามากทําน้อยทําบ่อยหรือไม่บ่อยถ้าทําบ่อยมันก็โอกาสที่จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าไม่อยากจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็อย่าไปประพฤติผิดประเพณีที่เขาพูดสุนักเดือนเก้าพวกสุนักเดินเก้าก็พวกที่ บ้าการหาบ้าการมาสัรหาเกิดการอารมณ์แล้วก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่สนใจว่าเป็นใครขอให้ได้ตอบสนองการอารมณ์ของตนท่านั้นอันนี้เป็นเรื่องของการไปสร้างพใหม่ชาติใหม่ในภายภาคหน้า่ า, ายไปก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้ามัมีสามีมามีภรรยาก็อาจจะเจอสามีภรรยาที่นอกใจเราก็ได้ ยังไม่มีคําถามใช่ไหมโอเคมีใครอยากจะถามอะไรไหมคุณหมอมีอะไรไหมนา น, นานมาทีเชิญอ่ส่งไมาไปแล้ว okay. นี่หลวงพ่อบอกว่าเราคนใกล้ๆหน่อยกนะันไหมคนใกล้หลวงพ่อบอกว่าเราเนี่ยเป็นท่านรู้รแล้วก็แต่ท่านรู้ไม่ใช่เรา แต่ท่ารู้ไม่ใช่เราอืถ้ารู้เป็นท่านรู้เพียงแต่ถ้ารู้ถูกความหลงหลอกให้คิดว่าเป็นเราเป็นตัวเราสร้างตัวตนขึ้นมาด้วยความหลงมันเป็นนิยายเหมือนกันท่านรู้แต่งแต่งนิยายขึ้นมาว่าฉันเป็นฉันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแต่ความจริงท่านรู้ก็เป็นเพียงแต่ตัวรู้ตัวคิดนี่เป็นฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันอเป็นนฟัังก์ชแล้วท่านรู้เป็นอมตะไหมหลวงพ่อ ใช่มันก็เป็นห น, น, นึ่งในหกธาตุนี่ยที่เป็นตัวเ ป, เป็นวัตถุดิบในการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาในในโลกในใ น, ตนใ<ช>ต้พภ์ต้องมีต้องมีวัตถุดิบทั้งหกอย่างมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟถ้าต้องการมีร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์หรือฉันล้วก็มีธาตุรู้มามาเชื่อมกับธาตุสีแล้วก็ต้องมีอวากาศธาตุเป็นที่ตั้ง แล้วธาตุรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่หลวงพ่อบอกว่าก็เหลือแต่เหลือแต่ขันศีลอันนั้นก็นามขันก็ยังอยู่กับธาตุรู้อยู่ยังอยู่กับธาตุรู้เพียงแต่ว่าไม่ไม่ไปหลงไปที่ว่ามันเป็นตัว ต, วตวนเป็นเราของเราครับรแล้วสามารถควบคุมบังคับมันได้สามารถรหยุดหยุดสังขารได้หยุ ด, ยดปัญญาได้หรือห้ามไม่ให้มันปรุงแต่งไปในทางความอยากได้มันก็จะไม่ไปเกิดติดต่อไป ก, ก็ยังสามารถใช้นามขานนี้ไปแสงดงธรรมกับพระอรหันต์กับพระกับพระคนบางคนได้ครับเช่หนหลวงปู่ม่านบอกว่ามีพระพุทธเจ้ามาแสงดงธรรมโปรดทัานก็อาศัยก็อาศัยขันธ์สี่นี่แเวทนาสัญญาสังขาร น, นี่นะโดยเฉพาะสัญญาสังขารเป็นตัวที่จะมาแสงดงธรรมอาศัยวิญญาณเป็นตัวเชื่อมกับกับวิญญาณของผู้ของของจิตของผู้ แสดงว่าตัวตัวในคนปกติเนี่ยที่ไม่ใช่พระอรหันต์พระพุทธเจ้าเนี่ยไอตัวนามขันนี่ก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่เราควบคุมไม่ได้ใช่ไหมครับพ่อใช่มันมีไวรัสอยู่มีไวรัสอยู่เราต้องหาแอนตี้ไวรัสใส่เข้าไปกําจัดไวรัสเราจะได้ควบคุมเครื่องของเราได้เป็นปกติตอนนี้ไวรัสมันเราไปกินหมดเช่นเดยของเราคือไว้ที่เลยของเราก็คือไวรัสของใจเรานี่ใช่เช่นถ้าสมมติมีอะไรมากระทบมันก็ process ทันทีมันก็มีปฏิกิริยาทันทีรักชังกโกหลงขึ้นมาทันทีทันทีซึ่งต้องต้องมาทําใจให้สงบหยุดความรักชังกโกหลงเราใช้ปัญญากําจัดมันพอใช้กำจัดปัญญากําจัดแล้วนี้มันก็เครื่อมันก็เป็นปกติแล้วไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงทําตามหน้าที่ตามคําสั่งของของธรรมะของความที่ถูกง่าวแสดงว่าตัวธาตุรู้ของพระเจ้าพระอรหันต์นี่ ก็ยังยังคงอยู่ใช่ไหมหลวงพออยู่อยู่ไม่ตามอยู่ไหนไม่หายไปไหนเพียงแต่ไม่ไปเชื่อมกับธาตุาสี่ดินน้าลมไฟใหม่แล้วก็ไม่ไม่ต้องไปอยู่ในพวภูมิต่างๆอยู่นอกเหนือพวุธภูมิพภูมินี้มันเป็นเพราะว่ามันยังมีความอยากถูกฝังอยู่เช่นถึงแม้จะไปอยู่เป็นพรมเป็นมันก็ยังมีความอยากที่ยังไม่ได้กำจัดด้วยปัญญามันเพียงแต่ถูกกําลังของสติกดเอาไว้เท่านั้นเอง พอกำลังของสติหมดความอยากนี่ก็จะดึงให้กลับไปเกิดใหม่ไปมีร่างกายอีกมแล้วในในตัวที่เป็น อ, อคือมันมันอยู่มันอยู่ห่างกันมากไหครับหลวงพ่อตัวใจแล้วก็ตัวธาตุรู้กับตัวตัวตัวร่างกายนะฮะร่างกายกับใจมันอยู่คนละโลกครับร่างกายอยู่ในโลกของธาตุธาตุสีดินน้ําลมไฟเนี่ยส่วนใจอยู่ในโลกทิพย์ การเชื่อมของของใจมาสู่โลกธาตุนี้มันส่งกระแสวิญญาณครับวิญญาณมาเกาะที่ตาหูจมูกนิ้วกายแสดงว่ามันอยู่อยู่อยู่ไกลกันมากแต่ว่าสามารถเชื่อมได้เหมือนเสมือนว่าใกลก็ไม่เชิงแตว่าใกล้ก็ไม่ใช่เพราะไม่มีมันไม่มีตัวตนไม่มีขนาดไม่วัดไม่ได้ไม่มีไม่มี time space ทางร่างกายที่มีทั้งเวลาและมีระยะทาง แต่ทางวิญญาณนี่โลกจิตโลกที่นี่ไม่มีมันไม่มีทางสเปซแล้วมันมันเกี่ยวข้องมันไม่มีเวลาอาการริกมันไม่มีระยะทางอืมยังเพลงอันนี้คิดถึงปั๊บมันก็ไปถึงนะไม่บอกพอคิดถึงปุ๊บมันก็ไปถึงนะคิดถึงคุณหมอจิตมันก็ส่งกระแสจิตไปเชื่อมกับคุณหมอได้เลยเสมือนเสมือนเป็นอันเดียวกันอ่ามันไม่ต้องใช้เวลาเพราะมันไม่มีระยะทางที่จะต้องเดินทางอืม คืออยู่คนละมิติของพ่อคนละมิติแต่มาเชื่อมกันด้วยวิญญาณของท่านมาเชื่อมกับร่างกายแสดงว่าคำว่าวิญญาณมันมีสองพาธนะพ่อพาธที่เป็นวิญญาณการเชื่อมเชื่อมกัท่านสี่ดินน้ำดินไฟแลวิญญาณที่เชื่อมกับวิญญาณเช่นเวลาพระเจ้าแสดงทำกับพวกกายทิพย์นี้ครับก็ใช้แต่อยู่ในโลกทิพย์ด้วยกันไม่ต้องมาเชื่อมทางร่างกายมันเป็นคลื่นนะพ่อ จะเรีกมันอะไรก็ได้มันเหนือสมมุติของเราอ่ะมั น, นมไม่มีมในโลกของเราที่เราจะใช้วัดคำวาจามาเปรียบเทียบได้อืก็อย่างที่บอกว่ามันไม่มีไม่มีระยะทางมันไม่มีเวลามันไม่มีความกว้างลึกหนาบางอะไรสักนแต่มันมีความคิดเยอ๊ะตัอควาคิดนี่มั น, มนเราวัดเหมือนกับวัดร่างกายไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีอยู่มีอยู่จริงก็เงาคิดกันอยู่ทั้งวันนี้ครับขณะนี้เราก็ใช้สังขารอยู่ตลอดเวลาครับอครับ เพราะนั้นไอ้ตัวคําทุกทุกจริงๆเนี่ยมันก็คือว่าเป็นทุกของธาตุรู้ใช่ไหมครับหลวพ่อใช่เป็นหลงไปอยากกนีทุกของธาตุรู้รกับธาตุสี่กับธาตุคือธารู้กั บ, กบเพื่อน ม, มันก็เลยทําให้ใจกับเพื่อมกับเพื่อมเพื่อแล้วก็อยากอยากให้มันหายกับเพื่อมก็ยิ่งทุกข์ใหญ่เพราะด้วยการคิดว่าการจะทําให้ใจหายกับเพื่อมก็คือการไปได้รูปเสียงกลิ่นลดมาเสพแล้วพอไม่ได้ก็ยิ่งทุกข์ใหญ่เพรก็วลอยู่แล้วมันเป็นเป็นงูกินหางอย่างนี้ อันนี้คือทุกข์ที่แท้ของอริยสัจใช่ไหมครับใช่ทุกข์ที่เกิดจากความอยากแต่ทุกข์ที่เกิดจากการแปรปรวนของรูปเสียงกลิ่นรสนี่มันทุกข์ทางทางขันทางขันครับทางขันเวทนามันมีคนรับแบกกันเพราะฉะนั้นเวทนาที่บอกว่าเวทนาสุขทุกข์นี่อยู่ในขันห้าอันนี้อยู่ในขันใช่มันอยู่ภายใต้กฎตายรักเราไปห้ามมันไม่ได้มันจะสุขจะทุกข์มันก็ต้องปล่อยให้มันไปแต่ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากเรากําจัดได้ถ้าเราหยุดความอยาก ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนี่คือทุกข์ในขันห่านอ๊ทุกข์ทุกข์ในธาตุรู้นี่คือความยินดียินร้ายใช่ไหพ่อใช่ยินดียินรักชังกลัวหลงรักชังกลัวหลงเพราะรักแ้วก็อยากจะได้ครับพอชังก็อยากจะกําจัดมันอยากกําจัดมันพอกําจัดไม่ได้ก็ทุกข์เพราะฉะนั้นในพายที่เขาบอกว่ายินดียินร้ายนี่คือพายที่มันเกิดอยู่ในธาตุรู้ใช่ไหมพ่อมันเกิดจากความหลงความหลงทําให้เกิดความรักชังกลัหลงเกิดการกระเพื่อมในธาตุรู้ ใช่พระมันพอมีอาการอหล่า น, นี้ใจก็จะกระเพื่อกระเพื่อมมันก็ไม่สงบมันก็ไม่สุขครับใจจะสงบมันต้องนิ่งเฉยนิ่งสงบมีความอิ่มความพอเวลามันนิ่งพอมันกร ะ, ะเพื่อมันก็เริ่มเกิดความหิวกเกิดความต้องการขึนะ้นมาเพราะนั่นนิโรธก็คือธาตุรู้ที่อยู่ในสภา พ, พที่เสถียรไม่กระเพื่อมใช่ไหมพ่อธาตุรู้ก็นิโรธก็คือสภาพของจิตที่ไม่มีความอยากไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากความอยาก แต่ถ้ารู้ไม่ได้หายไปถ้ารู้ไม่ได้ดับบางคนเข้าใจผิดที่วันที่ผ่านคือการดับของท่านรู้รถ้ารู้ไม่มีวันดับแต่สิ่งที่ดับก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากครับครับครับก็ในหน้านะที่ของเราก็าคือมากําจัดตัวนี้ท่านเองกำจัดความอยากเพื่อเราจะได้กําจัดความทุกข์พอใจของเราจะได้อยู่แบบคนที่หายไข้ยอย่างเงี้ยเรา คนไทยก็ต้องไปหาหมอใช่ไหมหมอก็ต้องวิเคราะห์ดูว่าเกิดจากอะไรพอรู้ว่าเกิดจากโรคชนิดนี้ก็หาวิธีรักษาพอรักษาได้โรคภัยก็หายไปจิตก็เหมือนกันจิตตอนนี้ของพวกเราเป็นโรคโรคโรคเครียดกันโรคทุกข์กันเราก็ต้องไปหาหมอผ่าพ ร, ระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกเกิดจากความอยากทั้งสามนี้ ถ้าหยุดกวามอยากทั้งสามนี้ได้วิธีอยากําจัดก็ใช้ศีลสมาธิปัญญาใช้ศีลพรทานศีลภาวนาพเพื่ยารักษาโรคพอเรากําจัดไวรัสได้เราก็สามารถบังคับบัญชาสังขารไดไ้ไม่ให้มันไม่ให้มันทํา<ำ>ไม่ให้มันสร้างความทุกข์ให้เราสร้างควา ม, วามทุกข์กับเราได้ครับแต่แล้วยังใช้งานมันได้อยู่ยังใช้งานมันได้อยู่ก็ยังมีร่างกายอยากจะไปไปแสดงทำที่ไหนก็ไปได้ ในสอนใครก็อาจจะไม่ไปเคิบไปของเงินขอทองไปหาราบลดสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงจิ่ตลดจากใครเพราะในใจมันไม่มีความอยากไม่มีความหิวมันอิ่มมันพอของมันคมันคนที่อิ่มาหานแล้วก็ไม่ไม่หาไม่ไปหาราบหาไม่กินอีก้าใจอิ่มแล้วก็ไม่มีความต้องการอะไรอีกต่อไป ชัดเจนเป็นวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจได้ครับหลวงพ่อธ<า>รรมะของพระเจ้าเป็ น, ป น, ว, ปน ว, วิทย า, าศาสตร์เป็นจิตศาสตร์เป็นทั้งจิตศาสตร์เป็นทั้งธาตุศาสตร์ <Qi. S 1> คือรูปร่างกายนี้ก็เป็ น, นเรียนหมอนี่ก็เป็นเรียนเรียนธรรมะอยู่ดีเห็แต่เรียนครึ่ง เ, เดียวเ่นั้นเองครับเรียนแต่ทางด้านรูปประคันไม่ได้มาเรียนทางนามขระคันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาก็เลยไม่ไม่ ไม่เข้าไปถึงต้นตอของของปัญหาก็คือความทุกข์ในใจที่เกิดจากการใช้นามขันในการทำตามความอยากต่างๆครับครับขอบคุณครับรมีไก่ทาน Would you like to ask any question? อคุณหมอก่อนก็ไดนะ้ If you want to ask any question you can raise your hand later okay ขอความเมตตาหลวงพ่อนะเจ้าค่ะพูดใกล้ๆหน่อย่มหอมฮหรอค่ะของหนูอ่ะเข้าใจว่าอนะเข้าใจอใกล้ๆปากมันจะได้หนูเข้าใจว่าไออย่างทำสวดมนต์เข้าสู่ความสงบหรือว่าเพ่งเข้าสู่ฌานสีเนี่ยเจ้าค่ะอันนี้เข้าใจแล้วคราวนี้ ถ้าพุทโธอย่างเดียวหรือว่าดูลมเข้าสู่ฌานสีอันนี้ก็เข้าใจแล้วเจ้าค่ะเข้าใจหมายถึงว่าปฏิบัติด้วยนะเจ้าคะคราวนี้ไอ้ที่ที่อยากกับถามหลวงพ่อว่าถ้าเราจะพิจารณาผมเข้าสู่ฌานสีอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเราเราจะพิจารณาได้ยังไงเจ้าคะในเมื่อเราใช้ความคิดอยู่เจ้าค่ะ ก็ไม่ได้หมายความว่ากรรมฐานทุกอย่างไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะใช้เข้าไปสู่ฌานได้ทุกอย่างใช่ค่ะต้องเพ่งต้องเพ่งผมอย่างเดียวอ๋อต้องเพ่งผมเขาสู่ฌานสิมันเพ่งลมเลยอันนี้จะเพ่งลมก็ไปเพ่งผมดูกําหนดผมหลับตาแล้วให้เป็นภาพผมปรากฏอยู่ในในใจของเราเจ้าค่ะไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอื่นมันก็จะทําให้จิตสงบได้ตัวที่ผมนั้นไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไม่ต้องคิดนึกใช่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอเราไม่ได้ทํำวิปัสสนาเราทำสมาธิ ถ้าทำวิปัสสนาก็ต้องเพ่งแล้วก็เปลี่ยนให้มันเปลี่ยนไปกลายเป็นดินไปก็เป็นมิปัสสนาไปอันนั้นคือลืมตาแต่เ ร, เรื่องกันลืมตาพิจารณาไม่ต้องลืมตาก็ได้หลับตาหลับตาพิจารณาห ล, าลตาก็ได้แล้วถ้าเราเพ่งผมเข้าสู่ฌานสี่กับกับพุทโธแล้วก็ดูลมมีความแตกต่างกันไหมเจ้าค่ะมันก็เป็นวิธีการแต่ละวิธีการไม่ใช่มาทำปนกันรวมกันเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ค่ะ <Okay. S 2> ดูลมก็ดูลมอย่างเดียวพูดโธยก็พูดโธอย่างเดียวแต่บางคนก็พิสดารจะเอาทั้งลมทั้งพูดโทเรื่อย <laughs> มันสมัยนี้พิซซ่านี่สองรสเลยาดเดียว <laughs> มันก็ตันหาความอยากเนี่ย <laughs> เพราะว่าทางนี้แล้วมันสงบง่ายกว่าองั้นก็ก็ไม่เถียงการใช้สองอย่างปนกันแล้วสงบได้ก็ใช้ไป แต่ความจริงมันฟังแล้วมันไม่ไม่ได้หรอกพวกที่ใช้กันมาส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินว่าได้ชายงันอ๋อเจ้าค่ะส่วนใหญ่ได้ชัยก็อย่างได้อย่างหนึ่งเจ้าค่ะพระเจ้าเราสอนอาณาปนสติอย่างเดียวดูเราหายใจเข้าเราก็สลับกันไปมาสลับก็ไม่ได้ต้องเอาแล้วต้องเอาตัวเดียวอย่างเดียวไม่ใช่เปลี่ยนมากลางทางองนี้อ๋อเจ้าค่ะขี่ม้าก็ขี่ม้าตัวเดียวมันถึงหลักชัยไปเลยพระเจ้ามาถึงขลางทางก็โดนย้เปลี่ยนอยตัว มันก็เหมือนเริ่มต้นใหม่ oh, อกพ อ, อเปลี่ยนใหม่ก็เหมือนเริ่มต้นใหม่คยกเว้นว่าเวลาช่วงที่เรานั่งนั่งดูลมแล้วเกิดอาการทุกขเวทนามากจ <Ha. S 2> นกิเลสมันมีกําลังมากกว่าทําให้เราเพ่งอยู่เราไม่ได้เราก็ใช้คําบริกรรมมาสู้กับมันแทนตอนนั้นต้องใช้คําบริกรรมแตนน่จะสู้กับทุกขเวทนา oh. ได้ถึงความอยากที่อยากจะหนีจากเวทนา oh. ไป แล้วค่อยมาเพ่งใหม่สลับกันเจ้าการมันจะสงบบางทีสงบแบบเข้าฌานได้ก็มีเจ้าค่ะถ้าผ่านทุกขเวทนาได้มันก็เข้าฌานได้ค่ะสวดมนต์บางทีสวดมนต์แล้วตัวหายเลยเจา้าค่ะก็ก็รู้ไปว่ามันหายเมื่อเมื่อไหร่เพราะมันเป็นชานขึ้นมาถ้าเป็นชานแล้วมันต้องนิ่งสงบใจเย็นสบายมีความสุขเป็นความสุขที่แปลกประหลาดมากสักจจใจเจ้าค่ะ แค่สงบค่ะยังไม่มีความสุขเจ้าค่ะก็ทำไปเจ้าค่ะการ ข, ขอบพระคุณเจ้าจะส่งไม้ไปให้ทำนะั mm ่น hmm. นี่เป็นชาวสิงคโปร์นอนมาสาังก่งอนะ่ะอ๋อ thank you Ajahn I have uh, previously m e d e one situation during a meditation that is my uh, knowing and the briefing is separated Can you speak closer to the microphone? Oh, uh, I I have met this condition during one of my meditation that the knowing and the breathing is separated, and the knowing is brightly standing uh, outside, just just here next to the nose, and the breathing continue while the knowing stand alone uh, brightly. And uh, it's two separate entity actually. So I stay there for a while. After that, when I get out of my meditation, my my uh, immediately there is this thought that arises a contemplation, I suppose, that uh, we are actually uh, ruled by our karma. It is the karma that is breathing by itself, or the defilement. While my knowing actually, uh, it's not is. Nothing to do with that, the briefing, and whether or not I'm going to die or later, uh, or later when I die, it's actually the rule of the karma, and nothing to do with my knowing. So, is my first question is, is this the correct way to contemplate? And secondly, if next time I want to have this knowing and e uh, briefing separated again, and the uh, knowing stands separately, um, h How do I continue? Or do I have to continue uh, knowing this? Or you know, it, will, it may change later. So that's my two questions. Thank you, Longpo. Well, just know that the knowing is the mind, and the mind is not the body. So whatever happens to the body doesn't happen to the mind. That's all you have to know. So when you get cancer, the mind should not worry because it doesn't happen to the, the mind. It happens to the body. No, uh, I'm not worried at all because I have different um, meditation um, situation before. And even even when my body is in pain, it doesn't disturb my mind when I meditate. So I just leave it alone. That's right. Mm. If the mind is not disturbed by anything, then you you're in the right, right way. My my because uh, we all talk about panya wisdom. So my first question is: uh, Is this the correct method to contemplate about uh, body and mind? Yes, to separate the mind from the body. The mind is not a body. The mind is. It lives forever, but the body lives temporarily. So this is a way to open wisdom to see the truth. Okay, i p e r m a n e n t Thank you, a s h a So secondly, if next time it happens again, so do I stay with the bright light, or you know how long do I have to stay or whatever it is? If it h a p p e n s again, what should I do? Just know. Just know. Just continue to know. Just know and then know that what you see will disappear. It's impermanent. Okay. So Should don't don't don't attach. Don't have any attachment to to whatever you see. Yes, yes. That's why it's always changing. Yeah. But I leave change. it. I just know it. Yeah. And leave it alone. Yes. Um, strangely, why I come today is because um, many times when I uh, have got meditation questions, somebody here or uh, during the Q and A in the English session will ask the question that I want to ask. Somebody will help me ask. I don't know why. That's why I I, I thought I should pay Ajahn a visit and r a b r a b r a b long paw ka. Thank you, okay. Ajahn. All right, you're welcome. You can come back anytime you like. เราอี join our zoom meeting on Tuesday night โอเคมีสองคำถามนะคะ<อ>จากคำถามแรกของคุณหมอค่ะโออยมแค่สงสัยคำว่าถ้ารู้กับออวิญญาณนะวิญญาณขันนะคะเหมือนกันหรือเปล่าแล้วถ้าไม่เหมือนกันแตกต่าง ก, กันยังไงคะ่ะือถ้ารู้เป็นตัวรู้วิญญาณขันนี่มันไม่รู้มันเพียงแต่ไปรับลูกเสียงกินนวดมาให้ถ้ารู้อีกทีหนึ่งเป็นเหมือนเม s s เจอร์ เป็นเหมือนคนบุรุษไปสนันนิไปรับจดยหมายมาให้คนคนรับคือท่านรู้ท่ารู้เป็นผู้รู้ว่ามีรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาแล้วแต่ตัววิญญาณมันไม่รู้มันเพียงแต่ทาหน้าที่รับรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาให้กับใจผู้รู้อีกทีหนึ่งแล้วใช้ก็ใช้สัญญาแปลรูปเสียงกลิ่นหรือว่าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสชนิดไหนดีหรือไม่ดีแล้วก็เกิดสุขทุก์เวทนาขึ้นมา แล้วก็เกิดสังขาร จ, จะตอบจะตอบจดหมายฉบับนี้ mm hmm. ดีไงเ mm hmm. เขาเขียนมาขอนน่นขอนี่เขาชวนไปนน่ mm hmm. นมานี่แล้วก็ตอบกลับไปไปก็ไปไม่ไปก็บอกไม่ไปฉะนั้นธาตุรู้ก็คือตัวที่เชื่อมกับขันห้ากับจิตใช่ไหมคะธาตุรู้เป็นตัวที่เชื่อมด้วยวิญ ญ, ญาณคือวิ ญ, ญญาณเป็นขันขั น, ขนหนึ่งในขันเขาอยู่ในอยู่ในจิตอยู่ในธาตุรู้อีกทีนึง ตัวธาตรู้เหมือนทวดตัวธาตรู้อยู่ตรงนี้ตัวร่างกายอยู่ตรงนั้นตัวที่เชื่อมร่างกายกับธาตรู้ก็คือวิญญาณอาวิญญาณที่มาเกาะทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อรับรูปเสียงกดลิ่นรสที่เข้ามาแล้วก็ส่งมาให้ที่นี่ที่นี่ก็เป็นรับรู้ว่ารูปมาแล้วเสียงมาแล้วกลิ่นมาแล้วซึ่งเป็นแค่ส่วนหนึ่งของจิตธาตรู้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของจิตเนี่ยเป็นตัวเป็นจิตนี่แหละเป็นตัวจิต ส่วนตัวขันนี่มันเป็นส่วนประกอบของของจิตอีกทีคาถามที่สองนะคะเออเมื่อเราทําสมาธิโดยการทําอนาปนาสตินะคะแล้วก็เราได้ความสงบระดับหนึ่งทีนี้เราก็ออกมาพิจารณาเวทนาในร่างกายเราก็เคลื่อนดูเวทนาตามร่างกายอะคะ่ะทีนี้พอเคลื่อนไปสักพักหนึ่งเกิดความรู้สึกเหมือนเพลินเหมือนมีความสุขพอรู้สึกตัวอีกทีรู้สึกเหมือนตัว เออตัวเคลื่อนไหวอะค่ะเหมือนตัวโยกไปโยกมามแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราเพลินหรือเปล่าแล้วเลยเหมือนตั้งสติแล้วก็เหมือนซีเรียสขึ้นนิดนึงเพื่อที่จะไม่ให้มันโยกไปโยกมาอย่างนั้นถูกไหมคะคือเราหลงทางตั้งแต่เราเริ่มออกมาพิจารณาเวทนานะ้วเราไม่ควรพิจารณาเวลานั่งสมาธิคนอยู่กับลมหายใจเป็นยังก่จิตจะนิ่งสงบถ้ายังไม่นิ่งสงบก็ดูไปเรื่อยๆ เรื่องพิจารณานี้ยังไม่ใช่เวลานี้ไม่ใช่เวลาที่ทําสมาธิเรื่องพิจารณามาพิจารณาตอนที่เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้อันนั้นเช่นปวดท้องขึ้นมาแล้วใจเริ่มไปทุกข์กับมันเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาแยกใจออกจากวางร่างกายว่าความเจ็บอยู่ที่ร่างกายใจอย่าไปทุกข์กับมันที่ทุกข์กับมันเพราะอยากให้ความเจ็บมันไม่เกิดหรืออยากให้มันหายไปถ้าไม่อยากจะให้ใจทุกก็รู้เฉยๆไป หรือว่าร่างกายทุกตอนนี้แล้วเราทําอะไรไม่ได้อย่างนั้นตน้องนั้นเป็นชั่วโมงก็แล้วแต่เรื่องบางทีออกมาโดนาบางทีไม่ต้องนั่งชั่วโมงก็ได้ออกมาโดนเขาด่าหน่อยก็ทุกข์แล้วอันนั้นก็ต้องทําใจนะอันนี้นต้องทํำวิปัสสนาเวลามันเกิดของจริงขึ้นมาไม่ใช่มานั่งนึกคิดเวทนาอยู่ตรงนั้นอยู่ตรง น, น, นี้ขึ้นไปขึ้ื่อนมาไม่เกิดประโยชน์เลยต้องเวลาเจอของจริงเวลาใครเขามาตอบหน้าเราอย่างนี้ยอ แล้วเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาแล้วใจก็ทุกเสียใจโมโหโกรธนี่มันมีสองทุกขขึ้นมาทุกทางเวทนาแล้วมาทุกทางใจด้วยเราก็มาหยุดทุกทางทางใจได้โดยยอมรับทุกทางเวทนาว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นแล้วเราห้ามมันไม่ได้มังคับมันไม่ได้ยอมรับเสียเราก็จะไม่ทุกทางใจอันนี้วิปัสสนาต้องเป็นอย่างนี้หรือถ้ายังไม่เกิดของจริงก็ คิดไว้ก่อนคิดไว้ล่วงหน้าก่อนถ้าเกิดเราเป็นโรคมะเร็งจะทำยังไงดอีอย่างเงี้ยดูถามใจเราทุกไหมถ้าไม่ทุกก็โอเคถ้าทุกก็ต้องสอนมันยอย่าไปทุกเพราะมันไม่ใช่เราที่ทุกโรคมะเร็งไม่ได้อยู่ที่ใจมันอยู่ที่ร่างกายมันต้องเกิดเวลามันจะเกิดมันก็ต้องเกิดห้ามมันไม่ได้เพื่อทให้ใจเรายอมรับให้ได้พอยอมรับได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์กับทุกข์ของทางร่างกาย พระอาจารย์สอนให้เราคิดอยู่เรื่อยๆเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้ให้เราเตรียมทําการบ้านไว้ก่อนเนี่ยยังไม่ถึงเวลาที่จะเจอของจริงก็ต้องทำการทการบ้านไว้ก่อนพอเจอพอเวลาเข้าห้องสอบเราก็จะท็ทําข้อสอบได้ถ้าเราไม่เตรียมทําการบ้านไว้ก่อนพอเข้าห้องสอบพอสอบตกพอหมอบอกเป็นมะเร็งก็ใจก็ตกลงไปที่เท้าแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนั้นต่อจากนี้เวลาปฏิบัติก็อานาปนาสติ ใช่แยกกันถ้านั่งสมาธิก็ทาใจให้นิ่งให้เป็นอุเบกขาจนเรารู้สึกพอก็ออกมาออกมาที่นี้ก็มาทําตามปัญญาต่อนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายนึกถึงการสูญเสียสิ่งที่เรารักไปว่าเราจะทํายังไงทําใจได้หรือไม่ใเวลาเราโกรธเราก็ขัามันได้หรือไม่มันขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วก็หยุดมันได้เนี่ยเรารู้ตัวเราก็ถ้าถ้าอยากจะให้มันเกิดแล้วต้องไม่มีความอยาก ความโกรธเกิดจากความอยากอยากให้เขาทาอย่างนั้นอย่างนี้เก็ไม่ทําเราก็โกรธเราไม่มีความอยากเลยแล้วก็จะไม่โกรธใครแต่ถ้าโกรธแล้วเราก็ใช้สติหยุดมันได้ให้พุทโธพุทโธ<ม>หรือใช้ปัญญาก็ไล้วเราห้ามเขาไม่ได้เขาจะเป็นอย่างนี้เราจะทําไงเราก็ไม่โกรธเขาได้ตัวที่จะวัดว่าเราดีขึ้นก็คือเราโกรธใช้เวลาก ด, ดน้อยลงชั้นลงชั้นลงยังนั่ง<ะ>ไม่โกรธเลย<ะ>ไม่โผล่ขึ้นมาเลยค่ะ ไม่ใช่โกรตั้งแต่เมื่อเช้านี้ตอนเยนนี้ยังโกรธอยู่นะเข้าใ ไ, ไหมโอเคเอาแล้วนะวันนี้หมดเวลาแนละ้วตอนนี้ถึงแม้มีคำถามก็ต้องขอหยุดนะอนเดียวก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอะ